แจ่ิญพรพวกเราก็เป็นโอกาสดีนะอีกครั้งหนึ่งหลวงพ่อเคยมาเทศ่ยที่นี่ครั้งหนึ่งละสักสองปีมานะนะก็หลายคนก็คุ้นหน้านะผู้บริหารเรานี้คุ้นหน้ากันการที่เราจะศึกษาธรร ม, มนะนั้นมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะแต่เราต้องตั้งใจจริงต้องจริงใจที่จะศึกษา ไม่ว่าในความเป็นจริงไม่ว่าเราจะทำอะไรนะต้องทาจริงๆถึงจะได้ผลถ้าเราจะศึกษาธรรมะนะเราต้องมีความจริงใจกับธรรมะธรรมะเป็นของจริงไม่ใช่ของเล่นเล่นถ้าเราเข้าใจในธรรมะแล้วเนะี่ยธรรมะจะคุ้มครองเราคุ้มครองเราจากความชั่วนะคุ้มครองเราจากความทุกข์ทั้งหลาย นีในหัวข้อที่มีมนหลวงพ่อมันเทศวันนี้นะเห็นกําหนดหัวข้อไว้บอกว่าหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูจิตในชีวิตประจําวันซึ่งการปฏิบัติเนี่ยคําว่าการปฏิบัติแบบดูจิตเี่จริงๆมันไม่มีจริงหรอกการปฏิบัติไม่ว่าจะใช้อารมณ์กรรมฐานอะไรก็เอาจิตไปปฏิบัติเท่านั้นแหละงั้นถ้าทิ้งจิตซะอันเดียวก็คือไม่มีการปฏิบัติ อย่างเราจะถือศีล น, นะเราถือไปอรัตนาไปรับศีลมาจากพระห้าข้อแปดข้อไปรับมาแล้วเราก็มาถือศีลด้วยกายด้วยวาจาถือยากถือยากแป๊บเดียวก็หลุดหมดแล้วจะมีศีลได้ดีรักษาที่ใจรักษาที่จิตเรานีสัะหักหละคนทําผิดศีลได้ก็เพราะกิเลสมันครอบงําจิตะถ้าเรามีสติรู้ทันจิตรู้ทันใจตัวเองไป กิเลสมันครอบงํำจิตไม่ได้ศีลนั้นเกิดโดยอัตโนมัตินะงั้นพวกเราบางคนจะรู้สึกรักษาศีลเนี่ยเรื่องยากเหลือเกินโดยเฉพาะข้อศีรักษายากเพราะเราเมื่อแต่คิดจะรักษาที่ปากต้องรักษาที่ใจนะงั้นการปฏิบัตินะจริงจริงมันก็ดูจิตดูใจเท่านั้นแหละไม่ว่าวิธีไหนะเทิ้งการทิ้งจิตทิ้งใจไม่ได้นะ ครูบาจายของหลวงพ่อองค์หนึ่งคือหลวงปูธธ่เทพนะสอนไว้หน้าฟังท่านบอกการปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่เข้าถึงจิตถึงใจนะไม่ได้สาระไม่ได้สาระแก่นสารของการปฏิบัติถ้าปฏิบัตินะเข้าถึงจิตถึงใจจริงๆแนละ้วเนี่ยถึงจะได้สาระแก่นสารงั้นการปฏิบัติไม่ว่าจะใช้วิธีใดนั้นก็ทิ้งจิตไม่ได้จะดูกายใครเป็นคนดูจิตเป็นคนดูจะดูเวทนาใครเป็นคนดูก็จิตเป็นคนดูอีกนะ จะรู้ทันกุศลกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นใครเป็นคนรูนะ้ก็จิตเป็นคนรู้อีกจะเห็นสภาวะธรรมเกิดดับอยู่ภายในนะหรือสภาวะธรรมภายนอกนะใครเป็นคนรู้อีกก็จิตเป็นคนรู้อีกง่าการปฏิบัตินะเราทิ้งเรื่องจิตไม่ได้ะการดูจิตดูใจรู้ทันจิตรู้ทันใจตนเองมันจึงไม่ใช่วิธีการปฏิบัติที่เป็นเอกเทศต่างหากไม่ว่าจะปฏิบัติด้วยวิธีใดก็ทิ้งจิตไม่ได้นะ อย่างที่หลวงพ่อสอนจะเน้นว่าทําไงเราจะพัฒนาจิตของเราให้มีคุณภาพมีคุณภาพที่จะเจริญสติเจริญปัญญาขึ้นมานพัฒนาจิตยังไงให้เกิดศีลพัฒนาจิตยังไงให้เกิดสมาธิะพัฒนาจิตยังไงให้เอื้อต่อการเจริญปัญญาสิ่งเหล่านี้ต้องเรียนนะในคว่าเป็นจริงแล้วพระพุทธเจ้าสอนไว้ชัดก่อนที่จะถึงขั้นเจริญปัญญาเนี่ยต้องศึกษาเรื่องจิตซะก่อน บทเรียนที่ท่านสอนนะับทเรียนที่หนึ่งชื่อศีลสิกขาจําได้ไหมนะถ้าพูดเต็มยศนะันท่านเรียกอะธิศีลสิกขาบทเรียนที่สองอะธิจิตสิกขานะเรียนเรื่องจิตอะธิบทเรียนที่สามอะธิปัญญาศิกขาเรียนเรื่องการเจริญปัญญานะงั้นที่หลวงพ่อเน้นเรื่องจิตเรื่องจิตไม่ใช่อะไรอะพวกเรานักปฏิบัติเนี่ยเราล่าเลยที่จะเรียนรู้จิตซะก่อนในที่สุดเราก็เอาจิตซึ่งไม่มีคุณภาพเนี่ย ไปเจริญสติเจริญปัญญาทําไม่ได้จริงนะปฏิบัตินะัล้มลุกคลุ ก, ลกคลานแทบตายเลยเหนื่อยยากแทบตายไม่ได้อะไรบางทีนะได้แต่มาน่าตามาก็มีนะกูเก่งกูเก่ง ก, งเกงูเหนือกว่าคนอื่นนะกู ร, รักษาศีลได้มึงไม่มีศีลสู้กูไม่ได้กลายเป็นอย่างนั้นไปอีกกูนั่งสมาธิได้นานมึงนั่งไม่เป็นสู้กูไม่ได้กูเก่งกูเก่งนะกูมีปัญญาเองไม่มีปัญญาเนะนี่ยถ้าเราเรียน ตามหลักสูตรของพระพุทธเจ้าจริงๆเราต้องมาเรียนเรื่องจิตสะกรก่อนที่จะถึงขั้นในการเจริญปัญญาเราต้องรู้ว่าจิตชนิดไหนเป็นกุศลจิตชนิดไหนเป็นอกุศลนี่อันแรกที่ต้องรู้นะส่วนใหญ่เราถ้าเราไม่เคยเรียนเรื่องจิตเรื่องใจของตัวเองมาก่อนเนี่ยเราเอาจะเอาจิตที่เป็นอกุศลนะไปเจริญวิปัสสนานี่ไปกันใหญ่เลยลักษณะของจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยเครียดเครียดแข็งแข็งหนักหนั ก, นกแน่นแน่นซึมซึมทื่อ ทุกคราวที่คนส่วนมากปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยการบังคับจิตให้แข็งแข็งไว้ก่อนให้เครียดเครียดแข็งแข็งหนักหนักนะมันเป็นการทําลายจิตที่ดีไปไปสร้างจิตที่ไม่ดีขึ้นมาจิตที่หนักจิตที่แน่นจิตที่แข็งจิตที่ซึมจิตที่ทื่อเนี่ยเป็นอกุศลจิตเอาจิตอกุศลไปเจริญปัญญามันจะได้หรือนะมันต้องเอาจิตที่เป็นกุศลสิ จิตที่เป็นกุศลเป็นยังไงเป็นจิตที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเราจะรู้ว่าจิตมีราคะโทสะโมหะหรือไม่มีเราก็ต้องรู้จักใช่ไหมราคะโทสะโมหะเป็นยังไงในที่หลวงพ่อสอนให้รู้จักนะเห็นไหมความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความหดหู่เกิดยังไม่ถึงขั้นเจริญปัญญานะมันคือขั้นเตรียมความพร้อมของจิตเพื่อจะไปเจริญปัญญาเท่านั้นเอง นะพัฒนาจิตให้เป็นกุศลซะ ก, ก่อนจิต ท, ที่เป็นกุศลไม่มีราคะนะไม่มีโทสะไม่มีโมหะจิต ท, ที่เป็นกุศลนั้นเบานะเรียกว่าลหุตามีความเบามีความนุ่มนวลอ่อนโยนเรียกว่ามุทุตานะมีความคล่องแคล่วว่องไวนะในการรู้สภาวะธรรมทั้งหลายไม่ใช่ทื่อๆอย่างนีอ้อย่างนี้จะเปเจริญปัญญาเลยนะ แค่รักษาตัวไม่ให้เดินตกท่อก็แย่แล้วเนะีย่ยเอาสติเอาปัญญาที่ไหนไม่ใช่นั้นจิตที่ที่เป็นกุศลนะปราดเปรียวไม่ซึมนะไม่ใช่เสื่องเสื่องซึมซึมบางทีพวกเรามันวิปลาสคลาดเคลื่อนไปเยอะเลยยังคิดว่าพระอราหันต์ต้องซึมยิ้มก็ไม่ได้ยิ้มไม่ใช่พระอราหันต์ยิ้มแล้วโลภถ้างั้นต้องหน้าบึงบ้งบึ้งว่าโกรธอีกละเออเอาอยัางไงแน่วะ่างนั้น จิตที่เป็นกุศลนะจะเบาจิตที่เป็นกุศลจะนุ่มนวลอ่อนโยนจิตที่เป็นกุศลจะคล่องแคล่วว่องไวจิตที่เป็นกุศลจะซื่อตรงซื่อตรงในการรู้อารมณ์รู้สภาวะทั้งหลายรู้ซื่อๆมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งชอบสอนนะรู้ซื่อๆหลวงพ่อคำเขียนชอบพูดรู้ซื่อๆรู้ซื่อๆคือรู้ได้จิตที่เป็นกุศละรู้ทุกอย่างอย่างที่เขาเป็นรู้ซื่อๆ งั้นเราทิศเราต้องมาหัดรู้นะว่าจิตมีราคาไหมจิตมีโทสะไหมจิตโกรธจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่ไหะจิตเบาหรือจิตหนักจิตแข็งหรือจิตอ่อนโยนนะจิตเสื่องซึมหรือจิตปราดเปรียวนจิตรู้ซื่อหรือว่ารู้แล้วเข้าไปแทรกแซงส่วนใหญ่รู้แล้วแทรกแซงเช่นขับรถอยู่คนปาดหน้าโกรธพอความโกรธเกิดขึ้นพอเราไปรู้ทันว่าโกรธเราก็แทรกแซงทํายังไงจะหายโกรธนะ ้โรบขึ้นมาทำยังไงจะหายโลคคิดแต่อย่างเงี้ยคิดแต่ว่าจะทำยังไงจะทำยังไงเวลาที่เราภาวนารู้สึกไหมเราจะเริ่มต้นว่าทำยังไงถึงจะดีใช่ไหมจะเริ่มต้นไม่ใช่ยอมรู้อย่างซืซ่อๆนะไปคิดจะหาวิธีทำมาฟังหลวงพ่อ ะ, ระมรนึกว่าจะมีวิธีที่เด็ดฟังปิ้งเลยนะจริ่งไม่ต้องปฏิบัติได้ยิ่งดีที่สุดเลยฟังแล้วปิ้งบรรลุไปเลยนะ <c oughs> ได้เหมือนกันนะถ้าอินทรีย์เราแก่กล้าพอ นี่จริงๆเราไม่แก่กล้าพอเราต้องปฏิบัติเนาะงั้นเราไปหัดเรียนรู้เรื่องจิตตัวเองนะมาดูไปใครรู้จักราคขาบ้างมีไหมรักข้ามเป็นกิเลส ช, ชนิดที่จะดึงอารมณ์เข้ามาหาตัวเองโทสะจะเป็นกิเลส ช, ชนิดที่จะผลักอารมณ์ออกไปนะเวลาเรารักใครสักคนรู้สึกไหมอยากดึงเข้ามาอยากให้เขาอยู่ใกล้เองมีแม่รักแล้วอยากให้อยู่ไกลๆนะไอ้นั้นรักจอมปลอมแล้วนะ หลักแล้วประเภทอางวรักภรรยานะอยากให้อยู่ไกลๆให้ใกล้ในใกลคนอื่นอย่างเงี้ยนะกิเลสตระกูลราคะเป็นกิเลสป ร, ระเภทดึงเข้าหาตัวใจมันจะมีแรงดึง ด, ดูดกิเลสตระกูลโทสามจะผลักออกไปไม่อยากเจอไม่อยากเห็นนไม่อยากเป็นไม่อยากได้จะผลักสภาวะที่กําลังปรากฏต่ตอหน้าต่อตาออกไปนะเนี่ยเราก็คอยรู้ทันนะจริงๆทุกคนรู้อยู่แล้วใจลอยรู้จักไหมใจลอย ฟู้งซ่านรู้จักไหมหดหูรู้จักไหมแม้สภาวะทั้งหลายนะเราเป็นเรารู้จักอยู่ทั้งหมดแล้วแต่เราละเลยที่จะรู้เท่านหนหลวงปู่ดุลย์เคยบอกหลวงพ่อนะประโยคแรกที่ท่านสอนหลวงพ่อดเลยท่านบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติไม่นจะยากอะไรนะการปฏิบัติที่แท้จริงนะรู้ทันสภาวะที่กํลาลังมีกํลาลังเป็นอยูนะ่โดยเฉพาะสภาวะในใจของเรา ยังไม่ถึงขั้นเจริญปัญญานะตรงนี้เป็นขั้นเตรียมจิตให้พร้อมต้องเรียนให้ชัดก่อนนะไม่ใช่ไม่ว่าดูจิตเลยจะเกิดมีปัศนาปัญญาไม่ใช่คนละเรื่องกันนี่เราต้องมาเตรียมความพร้อมของจิตในความเป็นจริงแล้วทุกคนรู้จักสภาวะธรรมทั้งหลายแหล่อยู่แล้วโลภเป็นยังไงเราก็รู้จักโกรธเป็นยังไงเราก็รู้จักหลงเป็นยังไงเราก็รู้จักฟุ้งซ่านเป็นยังไงก็รู้หดหู่เป็นยังไงก็รู้อิจฉาเป็นยังไงก็รู้กลัวเป็นยังไงรู้หมดใช่ไหม อาคาดเป็นแม่อาฆาศอาฆาศจะโกรธเหมือนกันไหมอาฆาศจะกังวลเหมือนกันไห ม, หไหมตะกูลโทสากันนะแต่ว่ามีหลากหลาย ม, มีลูกมีร้านแตกแขนงออกไปเยอะแยะเลยนะตรณีใครรู้จักความตรณีบ้างตรณีเป็นโลภะหรือเป็นโทสะืตรณีเวลาตรณีเกิดรู้สึก ขี้เหนียวขึ้นมาเนี่ยจิตมีความสุขหรือจิตมีความทุกข์ปับทุกข์ความทุกข์เกิดร่วมกับโทสะเท่านั้นนะแล้วเราต้องรู้นะเนี่ยเพราะงั้นขี้เหนียวขึ้นมาตระนีขึ้นมาเนี่ยจิตเป็นโทสะนะเพราะจิตไม่มีความสุขใช่ไหมไม่แช่มชื่นไม่เบิกบานนะแล้วโทสะจะเกิดร่วมกับเออความไม่ไม่สบายใจนะโทมนัสเนี่ยเกิดร่วมกับโทสะเท่านั้น เนะกิดร่วมกับโทสะจิตที่มีโทสะเราหัดรู้สภาวะทั้งหลายแล้นะเรารู้ได้อยู่แล้วเรารู้บ่อยๆการที่เรารู้บ่อยๆเนะี่ยต่ไปจิตจําสภาวะได้แม่นแม่นยําแล้วจิตเป็นกุศลเราก็รู้ขึ้นมานะมีศรัทธาเป็นกุศลไหมศรัทธาต้องดูข้อนศรัทธาอะไรเห็นไหมศรัทธาเฉยๆยยังไม่ถูกหรอกแต่ถ้าศรัทธาในพระรัตนตรัยยจิตเป็นกุศลใช่ไหม ศรัทธาเห็นว่ามีจันทรุปปาาคาคงจะถูกหวยยังไอ้อย่างนี้ไม่ใช่เป็นอกุศลนะโง่เงี้ยโง่เป็นเว็นโมหะเนีย้ยงั้นต้องแยกให้ออกนะมีสมาธิเป็นกุศลไหมสมาธิเป็นสภาวธรรมที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงคนจะไปยิงหัวคนอื่นมีสมาธิไหมนี่ แล้วดูว่า ส, สมาธิเกิดแล้วจะบอกว่าเป็นกุศลอย่างเดียวไม่ได้นะต้องดูด้วยว่ามันเกิดร่วมกับอะไรเกิดร่วมกับจิตที่มีราคะก็ไม่ใช่เกิดร่วมจากจิตที่มีโทสะจิตที่มีโมหะก็ไม่ใช่กุศลนะแล้ว <MO. S 1> สมาธินั้นเกิดได้ทั้งกับจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลสติล่ะสติสติเกิดเฉพาะกับจิตที่เป็นกุศลเท่านั้นนะปัญญาล่ะเกิ ด, ดกับจิตที่เป็นกุศลเท่านั้นนะ งั้นกุศลน่นะสภาวะที่เป็นกุศลของเราดูยากกว่าสภาวะที่เป็นกิเลสรู้สึกไหมนึกภาพปัญญาออกไหมยากกว่าโทสะใช่ไหมทําไมยากกว่าเพราะปัญญาเราไม่ค่อยเกิด <c oughs> นึ่ออกไหมเราโทสะเราเกิดทั้งวันเราก็จำแม่นสิใช่ไหมเออเรื่องง่ายง่ายหไหยตอบไม่ได้เลยต้องให้ผู้บริหารเขาดูละ <c oughs> หัดรู้นะหัดรู้จิตตัวเองไปต่อไปแล้วสภาวะใดเกิดขึ้นจิตก็รู้สภาวะกิเลสเกิดขึ้นจิตก็รู้นะนี่รู้อย่างหนึ่งแล้ว <c oughs> เวลาเรียนเรื่องจิตอันแรกเลยเรียนว่าจิตชนิดไหนเป็นกุศลชนิดไหนเป็นอกุศลต่อไปเรียนลึกซึ้งเรื่องจิตต่อไปอีกจิตที่เป็นกุศลนั้นยังมีสองจำพวกจิตที่เป็นกุศลที่เป็นกุศลธรรมดาธรรมดากะเรียกสาธารณากุศลนะ กับจิต ท, ที่เป็นกุศลที่ใช้เจริญปัญญาไม่เหมือนกันจิต ท, ที่เป็นกุศลธรรมดาธรรมดาเช่นจิตสงบที่พวกเราชอบนั่งสมาธิให้จิตสงบเป็นกุศลธรรมดาธรรมดานะส่วนจิต ท, ที่จะใช้เดินวิปัสสนาเนี่ยเป็นจิต ท, ที่ตั้งมั่นสงบกับตั้งมั่นไม่เหมือนกันนะถ้าจิตสงบเนี่ยมันจะเพลินสบายอยู่ในอารมณ์เดียวเช่นเราหัดพุดโทโธพุทโธนะ จิตอยู่กับพุโทโธไม่หนีไปไหนเลยสงบสงบแนละ้วทําอะไรต่อไหมไม่ทาเพราะสบายแล้วก็เพลิญอยู่ตรงนั้นเลยนะอย่างนี้เป็นกุศลนะแต่ไม่เดินปัญญานะอยากฟังเทศอยากฟังเทศนะเป็นกุศลไหมอยากฟังธรรมะขณะที่ฟังธรรม ะ, จะเจริญปัญญาไหมเป็นปัญญาที่คิดเอาเป็นปัญญาที่ฟังเอานะเป็นปัญญาเกรดต่าหน่อยนะมีปัญญาอีกชนิดหนึ่งคือภาวนา ภาวนามยปัญญาเนี่ยจิตที่เป็นมีปัญญานะยังมีหลายเกรดอีกนี่จิตชนิดไหนอ่ะแต่เราต้องเรียนให้ได้นะแล้วพัฒนาจิตชนิดนี้ให้ได้ก็คือจิตที่สามารถตั้งมั่นรู้สภาวะทั้งหลายตามความเป็นจริงคือเห็นไตร ล, ลักษณ์จิตที่ตั้งมั่นแล้วเห็นไตร ล, ลักษณ์ได้เนยะเป็นจิตที่ทรงสมาธิชนิดที่เรียกลักขณูปนิชฌานนะลักขณูปนิชฌานสมาธิมีสองชนิด ชนิดท pues ี u, ad, game, meer, like ia, ่หนึ่งชื่ออารัมมณูปนิชฌานอารัมมณูปนิชานเนี่ยจิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวไม่ฟุ้งไปในอารมณ์อื่นสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเท่านั้นเองเช่นพุทโธแล้วก็อยู่กับพุทโธไม่หนีไปที่อื่นได้ความสงบรู้ลมหายใจแล้วจิตอยู่กับลมหายใจไม่หนีไปที่อื่นได้ความสงบใชการที่จิตอยู่ในอารมณ์เดียวสบายอยู่ในอารมณ์เดียวได้สมถะได้ความสงบ สมาธิชนิดนี้เรียกว่าอารมณูปนิชฌานมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งชื่อลักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นแล้วเห็นลักษณะลักษณะคือไตรลักษณะนั่นเองไตรลักษณะนั่นเองเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาของกายของใจได้จิตที่ตั้งมั่นนี้แหละเป็นตัวที่อาภัพที่สุดหนึ่งไม่ค่อยมีคนมีนะจิตสงบเนี่ยหาไม่ยากพวกเข้าวัดทั้งหลายนีย่มีเยอะไปถึงก็นั่งสมาธิไปเดินจงกรมอะไรทาจิตให้สงบนิ่งๆ ถามว่าดีไหมเป็นกุศลไหมเป็นะแต่สงบแล้วดีไหมก็ดีมีความสุขแต่เดินปัญญาไหมยังไม่เดินะจิตที่ใช้เดินปัญญาต้องตั้งมันลักษณะจิตที่สงบเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเช่นจิตอยู่นี่นะอยู่กับพุทโธพุทโธอย่างเดียวจิตไม่วิ่งไปหาอารมณ์อื่นเลยจิตอยู่กับพุทโธอย่างเดียวหรือจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งอารมณ์คือลมหายใจจิตอยู่กับลมหายใจไม่หนีไปที่อื่นเลย นะเวลาที่มันสงบจริงๆมันจะเข้าไปรวมกันนะจิตอารมณ์เป็นรวมเกาะเข้าไปอยู่ด้วยกันเนะี่ยอย่างที่เข้าชงเข้าชานอะไรเนี่ยจิตไปเกาะนิ่งๆอยู่กับอารมณนะ์แต่ถ้าจิตที่ตั้งมั่นในการรู้อารมณ์เนี่ยจิตเป็นหนึ่งเป็นคนดูอยู่อารมณ์เป็นแสนเป็นล้านอารมณ์ก็ไดนะ้อารมณ์ไหลผ่านเหมือนเราอยู่บนตึกเนี่ยเราอยู่บนตึกเราไม่กระโดดลงไปที่ถนนนะ เราอยู่บนตึกเราเห็นรถวิ่งผ่านไปผ่านมารถตั้งกี่พันระคันกี่หมื่นคันก็ได้ใช่ไหมทุกคันมาเราไปใช่ไหมมีไหมรถที่มาแล้วไม่ไปยังไงก็ไปสมมตรถมันมาเสียอยู่กลางถนนไม่นานมันก็ต้องไปเนี่ยเวลาที่เราจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเหมือนเราอยู่บนตึกนะเราเห็นรถวิ่งอยู่บนถนนรถทุกคันมาแล้วก็ไปะจะรถที่อย่างดีรถอย่างเร็วรถสะอาดรถสกปรกอะไรมิแต่มาแล้วก็ไป ในการที่จิตเราถอยตัวออกมาเป็นคนดนะูไม่กระโดดลงไปอินในปรากฏการณ์จิตเห็นปรากฏการณ์ไหลผ่านหน้าไปเฉยๆนะทําตัวเป็นแค่คนดูดูอยู่ห่างๆนี่จิตชนิดนี้ต้องฝึกนะไม่มีขึ้นมาแล้วก็อย่ามาคุยเรื่องเดินปัญญาเลยนะไม่ได้เดินปัญญาจริงหรอกนะนั้นจิตที่จะใช้เดินปัญญานะจิตนั้นต้องมีลักคนงปนิชานตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้บาอาจารย์วัดป่าแต่ก่อนท่านเรียกว่าจิตผู้รู้ ใครเคยได้ยินคําว่าจิตผู้รู้บ้างจิตผู้รู้แปลว่าอะไรแปลว่าไม่ใช่จิตผู้คิดไม่ใช่จิตผู้เพ่งผู้เพ่งไม่ใช่ผู้รู้ผู้คิดไม่ใช่ผู้รู้จิตผู้รู้ก็ทําตัวเป็นแค่คนดูะเนี่ยท่อะไรเราสามารถพัฒนาจิตขึ้นมาเป็นคนดูได้เราก็จะเห็นสภาวะทั้งหลายเนี่ยไหลผ่านไปปรากฏการของรูปธรรมปรากฏการของนามธรรมเนี่ยจะไหลผ่านหน้าเราไปเฉย เหมือนเราอยู่บนยอดตึกนะเห็นรถวิ่งที่ถนนวิ่งไปข้างซ้ายบ้างวิ่งไปข้างขวาบ้างนะทีก็วิ่งข้ามเลนนะชนกันนะเราเป็นแค่คนดูไม่เกี่ยวนะดูอยู่ห่างๆทำตัวเป็นคนดูอยู่ห่างๆอย่าเข้าไปอินกับปรากฏ ก, การณ์การที่เราถอยตัวออกมาเป็นคนดูอยู่ห่างๆแล้วเราจะเห็นเนยะสภาวะทั้งหลายเนะี่ยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะนั้นเราต้องฝึกนะฝึกให้ได้จิตชนิดนี้ขึ้นมาวิธีฝึกจิต นะให้ได้สมาธิสองประเภทสมาธิชนิดที่1จิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งนะอันนี้หาอารมณ์ที่จิตเราชอบเคล็ดลับของการทําสมถะนะหาอารมณ์ที่จิตชอบก่อนคนไหนชอบพุโทโธเราพุโทโธคนไหนชอบรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจคนไหนชอบดูท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบไม่ต้องทะเลาะกันไม่ดีหรือไม่เร็วมากกว่ากันหรอกเท่าเท่ากันหมดเลยนะั้นไม่มีสายไหนสายไหนนะในสายตาหลวงพ่อ ทั้งทั้งหมดเท่ากันนะถ้ า, ถ, า, ถ, านะ ถ, ถ้ารู้หลักของการปฏิบัตินะเท่าเทียมกันเแล้วใจของเราเป็นแค่คนดูนะอันนี้จะเป็นสมาธิชนิดที่สองถ้าใจสงบอยู่ในอารมณ์เดียวสมาธิชนิดที่หนะึ่งวิธีฝึกให้ได้สมาธิชนิดที่หนึ่งหาอารมณ์ที่มีความสุขต้องมีความสุขทําไมต้องเลือกอารมณ์ที่ไปรู้แล้วมีความสุขถ้าอารมณ์ใดจิตไปรู้แล้วไม่มีความสุขเลยจิตจะสายไปหาอารมณ์อื่น จิตของเราที่ฟุ้งซ่านทั้งวันทั้งวันเนี่ยมันเที่ยวหาความสุขนั่นแหละมันวิ่งไปดูหนังวิ่งไปฟังเพลงวิ่งไปดูหนังอยากมีความทุกข์ไหมไปหาของอร่อยกินอยากมีควา ม, มทุกข์ไหมนี่จริงอยากมีความสุขนะการที่จิตเราฟุ้งซ่านจับอารมณ์โน้นจับอารมณ์นี้ไปเรื่อยแล้วจริงๆอยากจะหาความสุขนะงั้นเราก็หาอารมณ์ที่มีความสุขมาล่อมันนะจิตเหมือนเด็กซุกสนหาขนมมาล่อเด็กก็ไม่ไปสนใจที่อื่น งั้นเราก็หาดูนะแต่ละคนไม่เหมือนกันทางใครทางมันใครอยู่กับพุโทโธแล้วมีความสุขอยู่กับพุโทโธไปจิตไม่หนีไปที่อื่นก็ใช้ได้ละใครอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขนะก็อยู่กับลมหายใจจิตก็ไม่หนีไปที่อื่นก็สงบละนะใครชอบดูท้องพองยุบดูแล้วมีความสุขก็ดูท้องพองยุบไปนะในที่สุดจิตก็จะอยู่ในอารมณ์มันเดียวได้สงบตรงนี้เป็นที่พักผ่อนนะเวลาที่เราจเจริญวิปัสสนามากๆจเจริญปัญญามากๆแล้วจิตมันล้า จิตมันล้านะต้องมาทำสมถะพักผ่อนะให้จิตมันอยู่ในอารมณ์มันเดียวสบายพอมันพักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงแล้วออกไปทํางานใหม่สมถะกรรมฐานเป็นงานสนับสนุนนะงานหลักของเราคือวิปัสสนากรรมฐานถ้าจะตรงนี้ยังไม่รู้นะห่างไกลกับคำว่ามรรคผลนิพพานมากเลยไม่รู้อะไรเป็นงานหลักอะไรเป็นงานสนับสนุนะอย่างเรานี่ใช่ไหมไปหาลูกค้าไปเลยหาลูกค้าเก่งดีใช่ไหม มีแต่คนหาลูกค้าไม่มีคนทำงานเอกสารใช่ไหมอะไรเป็นงานหลักอะไรเป็นงานรองมากกว่ากันมันก็มีลำดับใช่ไหมอย่างทหารเนี่ยต้องมีพลาธิการใช่ไหมมีคนหุงข้าวต้องมีไหมก็ต้องมีแต่มันไม่ใช่งานหลักงานหลักของเรานะในการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือวิปัสสนากรรมฐานเรียนให้เห็นความจริงของกายของใจความจริงคือใจหลักงานสนับสนุนของเราก็คือสมถะอมตนฝึกไปให้ใจสงบ ใจจะได้มีเรื่องมีแรงสดชื่นขึ้นมาพอสดชื่นพอสมควรแล้วอย่าอยู่นานนะคล้ายๆเราพักผ่อนงานหลักของเราคือทํางานนะพักผ่อนเนี่ยเป็นตัวต้องช่วยใช่ไหมถ้าไม่ได้พักผ่อนเลยทํางานรวดปไปเรื่อยทำไม่ไหวทํำวิปัสสนารวดไปเรื่อบางทีทําไม่ไหวก็มาอยู่กับพุโทโธอยู่ลมหายใจให้จิตใจได้พักผ่อนบ้างะต่อไปพอเราฝึกได้ชนิดนี้แล้วนะเรามาพัฒนาสมาธิอีกชนิดหนึ่ง สมาธิชนิด ท, ที่จิตเป็นคนดูนะค่อยๆสังเกตไปจิตเราเนี่ยชอบวิ่งไปวิ่งมาจิตไม่ตั้งมั่นหรอกจิตจะวิ่งตลอดเวลาเลยเดี๋ยววิ่งไปดูเดี๋ยววิ่งไปฟังเดี๋ยววิ่งไปคิดนะนั่งฟังหลวงพ่อเทศนะี่ยสังเกตไหมฟังหลวงพ่อพูดเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อหน่อยหนึ่งเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังใช่ไหมฟังสองสามประโยคสองสามคำท่านั้นก็คิดตามว่าหลวงพ่อพูดอย่างนี้หมายถึงอย่างนี้ฟังสลับกับคิดดูออกไหม ที่จริงทุกคนฟังสลับกับคิดมาตั้งแต่เล็กๆแล้วแต่เราไม่เคยรู้เราไม่เคยรู้เราก็คิดว่าเราฟังอย่างเดียวเนี่ยเราไม่เคยเห็นจิตใจของเราถ้าเรารู้ทันเราเห็นตอนนี้จิตไปดูตอนนี้จิตไปฟังตอนนี้จิตไปคิดเราคอยรู้ทันจิตเนี่ยแวนรับอารมณ์น้ำรับได้อันเดียวอย่างบางคนน้าไปกินข้าวร้านอาหารนะร้านอาหารนี้อร่อยมากแล้วก็มีดนตรีเพราะๆฟังด้วยพวกนี้ขาดุนนะ ในขณะที่ฟังดนตรีไม่รู้รสอาหารในขณะที่รู้รสอาหารไม่ได้ยินเสียงดนตรีหรอกแม้ซื้อบริการสองอย่างนะได้อย่างเดียวขาดทุนนะโง่หรือฉลาดซื้อบริการที่หายไปครึ่งหนึ่งจะกินให้อร่อยนะอย่าไปฟังอะไรนะจดจ่ออาการกินให้รู้รสจะฟังเพลงให้เพล้ออย่าไปกินอะไรเพลืนงนะจิตมารู้อารมณ์แดนเดียวแล้วค่อยรู้ไปจิตตอนนี้ไปฟังรู้ว่าจิตไปฟังแล้วไหลไปฟังแล้ว จิตไปดูรู้ว่าจิตไหลไปดูแล้วจิตไปคิดรู้ว่ามันไหลไปคิดแล้วโดยเฉพาะจิตไหลไปคิดเนี่ยกิดทั้งวันจิตเราคิดทั้งวันจิตเราคิดทั้งคืนนคิดตอนนอนหลับเขาเรียกว่าฝันฝันก็คือความคิดนั่นเองจิตคิดทั้งวันจิตคิดทั้งคืนให้เรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดน่ะจิตที่เป็นผู้รู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ต้องสั่งให้เกิดนะเกิดเองเลย เมื่อเรามาฝึกตัวเองนะหัดพุดโทโธหัดหายใจเหมือนเดิมนั่นแหละนะใครเคยพุโทโธก็พุโทโธไปใครเคยรู้ลมหายใจก็ทําต่อไปไม่ต้องเลิกกรรมฐานอะไรก็ได้เหมือนกันหมดแหละแต่แทนที่จะทําแล้วให้จิตสงบอยู่ในรมอันเดียวนั้นนะเปลี่ยนซะพุโทโธแล้วรู้ทันจิตหายใจแล้วรู้ทันจิตนะดูท้องผองยุบแล้วรู้ทันจิตนะยังพุโทโธพุโทโธจิตหนีไปคิด ร, รู้ทันตรงที่จิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตจะดีด ต, ตัวออกมาเป็นผู้รู้ละนะ ตรงที่เราดูท้องผองยุบไปจิตนี้พิคิดเรารู้ทันะจิตที่ยวถอยออกมาเป็นผู้รู้เหมือนกันเปียบเลยนะไม่มีกรรมฐานอะไรดีหรือเลววกันหรอกเหมือนๆกันนะะใกล้เคียงกันแล้วแต่ทางขายทางมันแต่ละคนต้องมีทางของตัวเองใช่ไหมอย่างเราจะไปขายประกันนะแต่ละคนก็มีศิละปะในการขายของตัวเองนึกออกไหมไปลอกแบบเพื่อนไม่ได้ผลนะ กรรมธรรมนี่ก็เหมือนกันมันก็มีทางเฉพาะของเราเองดูของเราถนัดยังไงตอนนั้นสินะฉะ้นเราเราต้องฝึกนะคอยรู้ทันจิตนี้ไปคิดเลารู้จิตนี้ไปคิดแล้วรู้ในที่สุดจิตจะตื่นขึ้นมาคนไหนถนัดพุทโธก็พุทโธไปแล้วจิตนี้ไปคิดเลารู้คนไหนถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจไปแล้วจิตนี้ไปคิดเลาก็รู้ทันนะคนไหนดูท้องฟังยบจิตนีไปชิดแล้วก็รู้ทันเอาอย่ามาเพ่งอยู่ที่ลมนะอย่ามาเพ่งอยู่ที่ท้องนะ ถ้าเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นสมถะรียกออกไหมจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งก็เป็นสมถะแค่รู้ทันว่าจิตลงไปคิดเรื่อยๆทากรรมฐานขึ้นสักอันหนึ่งแล้วรู้ทันว่าจิตลงไปคิดนะเราจะได้สมาธิชนิดที่ตั้งมั่นเป็นคนดูขึ้นมาจิตที่หลุดออกจากโลกของความคิดนั่นแหละคือจิตที่ไปอยู่ในโลกของความจริงการเรียนวิปัสสนากรรมฐานคือการเรียนให้เห็นความจริงของชีวิตเราต้องเรียนด้วยจิตที่อยู่ในโลกของความเป็นจริงไม่ใช่จิตที่อยู่ในโลกของความฝัน นั้นเราต้องฝึกนะจิตหลงไปเรารู้เนี่ที่หลวงพ่อสอนดูจิตดูจิตเนี่ยนี่ส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งก็คือการเตรียมจิตให้พร้อมที่จะเจริญปัญญาบางครั้งก็ต้องทําความสงบให้มีแรงสงบพอสมควรแล้วจิตตั้งมั่นเป็นคนดูนะดูธาตุดูขันน์มันทํางานนี่พอถึงขั้นที่ว่าจิตเราตั้งมั่นแล้วเนี่ยต่อไปนี่ถึงขั้นเจริญปัญญาล้วการเจริญปัญญานั้นดูกายก็ได้ ดูเวทนาก็ได้ดูจิตก็ได้นะเห็นสภาวะธรรมทํางานไปก็ได้กายเวทนาจิตธรรมใช้ได้หมดเลยไม่ใช่ต้องดูจิตอย่างเดียวนะหรือบางคนบอกต้องดูกายอย่างเดียวนั่นเข้าใจผิดในสติปัฏฐานสี่พวกเราเคยได้ยินบ่อยๆมั้งนะพวกเราสนใจธรรมะกายเวทนาจิตธรรมนะสติปัฏฐานสี่เนี่ยมันเหมือนประตูเมืองสีทิศเข้าทิศใดทิศหนึ่งก็เข้าเมืองได้แล้ว งั้สติปัฏฐานสี่เนี่ยไม่ต้องทำสี่ยานหรอกทำอันเดียวนะถ้าทําได้แจ่มแจ่มแจ้งนะก็ถึงพระนิพพานนะไม่ใช่ประตูสี่ชั้นนะบางคนคิดว่าสติปัฏฐานสี่เป็นประตูสี่ชั้นต้องเดินมาทีละชั้นชั้นะเหมือนผัวขโมยนะต้องเจาะประตูลัวก่อนเข้าประตูลั้วเข้าประตูบ้านจากประตูบ้านเข้าประตูห้องในห้องยังมีประตูต่อไปอีกเปิดเท่าไหร่เอาห้องน้ำประตูสี่ชั้นไม่ใช่ แท้จริงก็คือประตูสี่ด้านประตูสี่ทิศเข้าอันใดนหนึ่งก็ถึงพระนิพพานได้คนที่ถึงพระนิพพานได้นะก็คือผู้ที่เห็นความจริงของรูปนามวิปัสสนากรรมฐานนั่งเรียนเพื่อให้เห็นความเป็นจริงของรูปนามของกายของใจนั่นเองของขันห้านั่นเองในขันห้าแยกออกไปก็คือรูปกับนามในอายตนะหกแยกออกไปก็คือรูปกับนามในธาตุสิบแปดแยกออกไปก็คือรูปกับนามนั้นจริงๆเราเรียนเรื่องรูปนาม รูปธรรมนา ม, มารมนั่นเองถ้าเมื่อไหร่รู้ความจริงของรูปธรรมนา ม, มาทำแจ่มแจ้งว่ารูปธรรมก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นา ม, มาทำก็ตกอยู่ใต้ไ ต, ไตรลักษณ์นะจิตจะปล่อยวางความถือมั่นในรูปธรรมนา ม, มารมเมื่อจิตไม่ยึดในรูปนามแล้วนะจิตก็ถึงนิพพานเพะนิพพานนั้นเป็นสภาวะที่พ้นไปจากรูปนามนะงั้นเราเราจะภาวนาเนี่ยนะเพื่ออะไรทำวิปัสสนาเดิเจริญปัญญาเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงของรูปนาม นี่บางคนถนัดรู้กายเอากายเป็นฐานเอากายเป็นวิหารธรรมเป็นบ้านมารู้กายเช่นเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใครถนัดเห็นร่างกายหายใจก็ดูร่างกายหายใจไปใครถนัดเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปแต่ดูแล้วทำยังไงจะเห็นทั้งรูปธรรมนามธรรมได้เห็นแต่รูปธรรมแต่ปล่อยวางรูปธรรมแต่ยึดนามธรรมก็ไม่เห็นนิพพาน ไปดูจิตดูใจเห็นนามธรรมนะแต่ไม่รู้รูรปธรรมก็ไม่ได้พ่านนะในความเป็นจริงนะการทำกายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ว่ารู้กายรู้กายใครเป็นคนรู้กายจิตเป็นคนรู้กายนะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกนะจนจิตเป็นตั้งมั่นขึ้นมาแล้วจากบทเรียนที่สองคือจิตตสิกขานะจิตตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วเนี่ย ถ้าคนไหนจะเอากายเป็นวิหารธรรมรู้สึกลงในกายมีสติระลึกอยู่ในกายด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางอยู่จิตเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าจิตเป็นคนดูนะมันจะรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตนะคนไหนถนัดเวทนานุปัสสนาเวทนาเกิดที่ไหนมั่งเกิดที่ตาที่หูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหม ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายเกิดกับรูปธรรมเป็นเวทนาทางกายนะเวทนาทางใจนะเวทนาทางใจก็เป็นอีกอันเป็นนามธรรมนะตัวเวทนาทั้งหมดเป็นนามธรรมนะแต่ที่เกิดของมันเกนะิดกับรูปธรรมก็ได้เกิดกับจิตก็ได้นะงนั้นเวลาที่เราภาวนานะอย่างตามองเห็นขณะที่ตามองเห็นเนี่ยมีความสุขหรือมีความทุกข์หรือเฉอย ขณะที่ตามมองเห็นเฉยๆทุกคนพวกเราหรือพระอราหันต์หรือหมามองเห็นอะไรขณะที่เห็นนั้นเฉยๆสังเกตไหมพอเห็นแล้วจะต้องตีความก่อนเห็นไหมมีดีเลยทามนิดนึงมองเห็นทีแรกยังไม่ไม่รู้อะไรใช่ไหมอย่าสุว่าเห็นเดินไปมืดๆเห็นอะไรยาวๆอยู่างเงี้ยมองเห็นทีแรกยังไม่ตกใจนะพอมันนึกได้ว่างูก็โดดเลยใช่ไหมโดดเลยอาจจะนึกผิดที่แท้เชื่อกเนี่ย แต่มันจะมีดีเลย์ไทม์อยู่นิดนึ่งณขณะที่มองเห็นเนี่ยจิตเป็นอนะุเบกขาเวทนาตรงนั้นเป็นอนะุเบกขาขณะที่หูได้ยินเสียงเวทนาเป็นอนะุเบกขาจมูกได้กลิน่นขณะที่จมูกได้กลิน่นนะั้นเวทนาเป็นอนะุเบกขาเวทนาที่เกิดกับใจนะเกิดกับใจเวทนาเป็นเจตสิกเมื่อเกิดกับใจทังนั้นเลนะขณะที่กายสัมผัสความเย็นร้อนอ่อนแข็งที่เรียกว่าเวทนาทางกาย เวทนาทางกายสมมติว่าร่างกายถูกนว ด, นวดเวลานวดเจ็บไหมเจ็บใช่ไหมดีใจไหมพอใจไหมที่แค่คนนวดเจ็บก็ยอมใช่ไหมเจบยอมสบายใจได้นะกายเจ็บสบายใจก็ได้นะเป็นคนละอันกันระหว่างเวทนาทางกายเวทนาทางใจหรือพวกซาดิสซึมพวกมาโซชิสนะถูกใครก็ตบแล้วเจ็บๆแล้วมีความสุข เนอะ อ, อย่างนี้ก็มีนะมันเจ็บทางร่างกายเห็นไหมมีทุกขเวทนาทางกายแต่มันมีสมนัตเวทนาทางใจมีเวทนาเกิดที่กายที่ใจได้ถ้าเราหัดดูเวทนาไปเรื่อยบางทีก็เห็นมันเกิดกับกายบางทีก็เห็นมันเกิดกับใจนะดูไปเรื่อยเลยมันจะรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจแหละนะรู้เวทนาด้วยรู้ร่างกายด้วยรู้จิตใจที่เป็นคนรู้คนดูด้วยนะหรือคนไหนจะดูจิตจิตตาทุปศาสนาจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะ จิตไม่มีราคารู้ว่าไม่มีราคานี่ทำสติปัฏฐานขึ้นมาถึงขั้นดูจิตจิตตานุนปัสนานะตอนที่เราดูจิตดูใจในขั้นจิตตานุปัสนานะตามองเห็นใช่ไหมราคาก็เกิดเห็นรูปสวยราคาเกิดจมูกได้กลิ่นที่หอมๆราคาเกิดอาศัยรูปประทับนะทำให้เกิดราคาขึ้นสุดท้ายรู้ทั้งรูปรู้ทั้งนามนะไม่ใช่รู้อันเดียวหรอก งั้นในที่สุดเนี่ยเราพานาไปเรื่อยไม่ว่าเราจะใช้อารมณ์ใดในสติปัฏฐานนะยกเว้นบางงานบางงานเป็นสมถนะนอย่างการพิจารณาอาหารเป็นปฏิกูเนี่ยเป็นเรื่องของสมถะอรถฐ า, านที่แทรกอยู่ในสติปัฏฐานนะคือบางคนต้องทำสมถะก่อนงั้นท่านก็สอนสมถะปนอยู่ด้วยนะในอนาคานสตินะซึ่งอยู่ในกายานุ ป, ปัสนาเนี่ยอนาคานาสตินะมีทั้งสมถะทั้งพิปัสนา มีทั้งสองแบบแล้วแต่ว่าจิตจะเป็นแบบไหนถ้าจิตสงบอยู่ในในลมหายใจอันเดียวนะเป็นสมถะถ้าจิตถอนตัวมาเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจอยู่ร่างกายที่หายใจอยู่นะั้นจิตรู้สึกเลยไม่ใช่เรานเนี่ยเดินมีปั ส, สนาอยู่นะในในสติปัฏฐานนะจะรู้ทั้งรูปรู้ทั้งนามหรอกไม่ใช่รู้นเดียวนะอย่างคนบอกว่าหลวงพ่อประโมทสอนดูจิตแสดงว่าไม่ดูกายเข้าใจผิดนะ คนที่เรียนกรรมฐ า, านกับหลวงพ่อที่ว่าดูจิตดูจิตนะนอนหลับอยู่นะพลิกซ้ายพลิกขวายังรู้เลยเีย่าว่าแต่ตอนตื่นเลยรู้กายยิ่งกว่าคนปกติซะอีกนะพลิกซ้ายพลิกขวารู้ทั้งคืนเลยไม่ใช่ไม่รู้นะคือถ้าปฏิบัติถูกต้องรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจไม่มีหลอกสายกายสายจิตไม่มีหลอกนะนั่นมันพูดให้สมัยตอนเริ่มต้นเท่านั้นเองตอนหัดดูใหม่ๆหรอกถ้าดูเป็นแล้วเนะี่ยไม่มีสายไหนสายไหนนะมีแต่ว่าขนาดนี้มีสติไหมขนาดนี้ขาดสติหรือเปล่า หรนะือมีสติแล้วจิตตั้งมั่นไหมหรือว่าจิตไม่ตั้งมั่นนะถ้าขณะนี้ขาดสติจิตเป็นอกุศลถ้าขณะนี้มีสติแต่จิตไม่ตั้งมั่นจิตไหลไปรวมกับรมนะเช่นรู้ลมหายใจจิตเกาะไปบลมหายใจได้สมถะนะขณะนี้มีสติแต่จิตตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นเลยนะร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เราขณะนี้เดินปัญญาอยู่นะจิตมันจะพลิกไปพลิกมานะเวลาที่ในขั้นของการเดินปัญญาที่แท้จริงอะ ไม่ใช่รู้อันใดนหนึ่งหรอกบาที่ก็รู้กายบางทีก็รู้เวทนาบางทีก็รู้จิตที่เห็นสภาวะธรรมทํางานไปไม่ใช่คน ไ, ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาะรูปธรรมก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานามธรรมก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขางั้นเวลาที่ผู้ใดผู้หนึ่งบรรลุพระโสดาบันเนี่ยท่านเห็นแจ้งในขันห้านะว่าขันห้าทั้งหมดนะไม่เที่ยงขันห้าทั้งหมดเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ว่ารู้แต่กายไม่ใช่ว่ารู้แต่เวทนาไม่ใช่่รู้แตตจิ งั้ต้องต้องเข้าใจให้ดีนะงั้นเดี๋ยวจนะนึกว่าดูจิตอย่างเดียวดูจิตอย่างเดียวไปดูอะไรจิตไม่มีอะไรให้ดูจิตมันรงลงว่างๆไม่มีอะไรให้ดูจิตเราไม่สามารถเห็นจิตเกิดดับได้นะเพราะว่าจิตนั้นไม่มีร่องรอยอะไรเลยเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เท่านั้นแต่เราสามารถเห็นจิตเกิดดับได้นะโดยดูผ่านเจตสิกนะผ่านเวทนาผ่านสังขารอะไรอย่างเงี้ยเช่นเราเห็นว่าจิตที่มีความสุข เกิดขึ้นมาเราหายไปแล้วเกิดเป็นจิตที่เฉยเฉยแทนใช่ไหมแสดงว่าจิตที่มีความสุขไม่เที่ยงจิตเฉยเฉยเราดูไปเรื่อยๆเปลี่ยนเป็นเป็นจิตที่มีความทุกข์เกิดขึ้นแทนเนี่ยแสดงว่าจิตเฉยเฉยก็ไม่เที่ยงนะจิตโลภเกิดขึ้นมาเราไปดูไปเรื่อยก็เห็นจิตโลภหายไปเกิดจิตไม่โลภขึ้นมาแทนนะเนี่ยเราจะเห็นจิตเกิดดับได้นะโดยอาศัยเจตสิกนั่นเองตัวจิตนั้นไม่มีร่องรอยอะไรที่จะให้ดูเลยนะจิตนั่นคล้ายๆแก๊สหุงข้าวอ่ะ ถ้าถุงข้าไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะไม่มีรสนะไม่รู้เลยรั่วออกมาก็ตายเปล่าๆ เ, เขาถึงต้องเอาเอากลิ่นไปใส่ไว้นะเอากลิ่นไปใส่ไว้ในแก๊สนะั้นทําให้พอรั่วออกมาเราก็เลยรู้ว่าแก๊สซั่วแล้วะจิตนี้ก็เหมือนกันนะไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสนะไม่มีร่องรอยที่จะให้เรารู้เลยนะอาศัยราคะโทสะโมหะอาศัยความสุขความทุกข์นี่นะมาเจือปนเข้ากับจิต ก็เลยแยกไดว่าจิตดวงนี้เป็นลักษณะนี้จิตดวงนี้เป็นลักษณะนี้เราเห็นจิตเกิดดับได้ถ้าไม่เห็นสภาวะรูปธรรมนามธรรมเกิดดับอย่ามาคุยเรื่องวิปัสสนาไม่มีหรอกไม่มีหรอกนะงั้นพอเราฝึกนะฝึกที่ตัวแรกที่ต้องฝึกให้ได้เลยฝึกให้จิตเป็นคนดูให้ได้นิตริฝึกจิตให้เป็นคนดูก็คือรู้ทันจิตที่ไหลพิชิตพอรู้ทันจิตที่ไหลพิชิดบ่อยๆจิตตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วเนี่ย อย่าตตเตลิดเปิดเปิงไปที่อื่นคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายด้วยเดี๋ยวสติก็ไปรู้ร่างกายเคลื่อนไหวสติมันก็รู้สึกะมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายสติก็รู้สึกแต่รู้สึกด้วยจิตที่เป็นแค่คนดูะมีความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยเกิดขึ้นที่จิตะมีเฉยเฉยได้ที่จิตที่กายมีสุขมีทุกข์ที่จิตเนี้มีสุขมีทุกข์มีเฉยเฉยมีอุเบกขาวเวท น, นาด้วยะแล้วก็แค่รู้จิตเป็นคนดูะ เฝ้าดูเฝ้าดูเรื่อยไปนะเราจะเห็นในสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วดับพระพุทธเจ้าเวลาท่านถามปัญจวัคคีย์ท่านถามว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงนหรูปไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดเป็นทุกข์ควรจะถือว่าเป็นเราไหมไม่ควรพระเจ้าค่ะสอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันหานั่นแหละนะแต่ถ้าเบื้องต้นภูมิธรรมของพระโสดาบันนะจะเห็นว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเรา แต่ปุ่มธรรมที่จะบรรลุพระอรหันต์เนี่ยเห็นขันห้าไม่มีสาระไม่มีสาระเพราะไม่เที่ยงเพราะเป็นทุกข์เพราะเป็นอนัตตาเรียกว่าเป็นตัวทุกข์นั่นเองสิ่งที่เป็นตัวทุกข์ก็คือของที่ไม่ดีไม่มีสาระนถ้าเห็นได้อย่างนั้นจิตจะปล่อยวางความถือมั่นในขันเป็นพระอรหันต์ได้งั้นตั้งแต่จะเป็นพระโสดานะก็ต้องรู้รูปนามนะเห็นขันห้าจะเป็นพระอรหันต์ได้ก็เพราะเหตุความจริงของขันห้านั่นเอง การที่เราได้เห็นความจริงของขันห้าเป็นลำดับลำดับไปกนะ็ <c oughs> จะได้ภูมิธรรมเป็นชั้นๆั้นไปพระโสดาบันเห็นขันห้าว่าไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราในขันห้าไม่มีตัวเราที่ไหนเลยนะพระสกทาคาก็เห็นอย่างเดียวกันพระนาคาเนี่ยจะเห็นนะกายนี่ทุกเห็นง่ายกายไม่เป็นตัวทุกนะจิตไม่ยึดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผทัพะไม่ยึดในตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่ยึดในรูปธรรม ท, ทั้งหลายแต่ยังพอใจยินดีในความสุขความสงบทางใจเพราะยังติดนามธรรมาอยู่ไม่ยึดรูปธรรมนะเราเห็นความจริงอลรูปธรรมไม่ดีไร้สาระแต่ว่านามธรรมายังรู้สึกว่าจิตที่สุขจิตที่สงบเนี่ยเป็นที่พึ่งที่อาศัยก็ยังไม่จบถ้าสติปัญญาแก่รอบเนะีเห็นตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์ถ้าเห็นอย่างนั้นนะแล้วปล่อยวางจิตมาถึงที่สุดแห่งทุกข์กันตรงนี้นะแตกหักกันขั้นสุดท้ายลงที่จิตเอง งั้นถ้าในขั้นของการเดินปัญญาเนี่ยเรามีมีจิตเป็นคนดูกายมีจิตเป็นคนดูเวทนามีจิตเป็นคนรู้สังขารปรุงดีปลุงชั่วทั้งหลายมีจิตคอยรู้ทันจิตที่เกิดดับทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะมีจิตเป็นคนดูแะทิ้งจิตไม่ได้ก็มีจิตเจืออยู่ในทุกๆการปฏิบัตินั้นนะแล้วก็ถ้าภาวนาจนถึงขั้นจะแตกหักเนี่ยจิตจะรวมลงที่จิตเวลาที่อริยมรรคแต่ละชั้นจะเกิดเนี่ยเกิดที่จิตไม่ไปเกิดที่อื่นหอก นะมันจะลงที่จิตแต่ตรงนี้ไม่ได้เจตนาลงมันลงเองนะแล้วก็ขั้นสุดท้ายเลยที่จะแตกหักข้ามภพข้ามชาติคราวเนี้ยมาเรียนเรื่องจิตจริงๆนะนะเพราะฉั้นการที่ว่าดูจิตดูจิตจะชอบหรือไม่ชอบนะก็ต้องดูก็ต้องดู <c oughs> งดนะอย่างน้อยต้องดูให้ได้จิตผู้รู้ขึ้นมาก่อนนี่บทเรียนที่สองชื่อจิตตสิกยาบทเรียนที่หนึ่งชื่อ 4, ศีลสิษยารักษาศีลรักษาได้ดีรักษาที่จิต นะบทเรียนที่สองจิตตศิกยาฝึกให้ได้จิตรู้จักนะว่าจิตเป็นกุศลหรืออกุศลจิตที่เป็นกุศลนั้นเป็นกุศลแบบสมถะหรือจะใช้เดินวิปัสสนาถ้าสมถนะนั้นจิตจะสงบอยู่ในอารมณ์ันเดียวถ้าจิตจะเดินวิปัสสนาจิตจะถอนตัวเป็นคนดูเป็นผู้รู้ผู้ดูนะพอจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเนี่ยสติระลึกรู้กายจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูก็จะเห็นว่ากายนะั้นไม่ใช่ตัวเรา จิตที่เป็นคนดูก็เป็นแค่สภาวะทมทำหน้าที่ดูเท่านั้นไม่ใช่เราเหมือนกันเห็นไหมเห็นอย่างนี้ยมันรู้ได้ไหมัมนรู้ได้แค่นี้ก็บรรลุได้แล้วก็คือเห็นกายกับจิตนะเวทนากับจิตเวทนาเกิดที่ไหนกิดที่กายบ้างเกิดที่จิตบ้างก็รู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตนะสุดท้ายจะดูจิตราคาเกิดเพราะอะไรก็ราตามมองเห็นเมตาเป็นเป็นรูปนะหูได้ยินเสียงเห็นไหมหกูกับเสียงก็เป็นรูปน สุดท้ายรู้ทั้งรูปรู้ทั้งนามนะแล้วก็แจ้งลงไปเลยไม่มีตัวเราที่ไหนเลยนะความโกรธไม่ใช่คนนะตาที่ไปมองเห็นคนที่เราเกลียดนะตาที่ไปมองเห็นรูปก็ไม่ใช่คนนะใจที่เป็นคนไปรู้ก็ไม่ใช่คนนะสุดท้ายก็คือต้องเห็นแจ้งทั้งรูปทั้งนามนะั่นแหละอย่าไปเข้าใจจิดหน้าว่าดูจิตเป็นสายการปฏิบัติแยกประหารแต่ถ้าไม่มีจิต ไม่มีเอาใครปฏิบัติแล้วไม่มีคู่ปฏิบัติแล้วนั่นหลวงพ่อถึงพูดไงจะชอบดูจิตหรือไม่ชอบดูจิตก็ต้องดูจิตนะอ้าวจบที่นีนน้แหละโอ้ต้องดูด้วยตนเองนะปัจจตังเวธิตัปโววินุิวินยุชนู้<ะ>ด้วยตนเองตอนที่หลวงพ่อมาบอกให้ดูกิเลสก็พยายามดู อนเอาลืมไปอา้าวกลับมาพุทโธใหม่ได้วิธีอย่างนี้ใช่ได้มั้ยครับใช่ได้ น, น, นะที่หลวงพ่าบอกแหมว่าหาอารมณ์ที่เราคุ้นเคยไว้อันหนึ่งก่อถนัดพุทโธนะจะเอาพุทโธให้เป็นสมถะก็ได้นะเป็น ม, มิปัสศนาก็ได้ถ้าพุทโธพุทโธแล้วสบายใจอยู่กับพุทโธจิตไม่ฟุ้งไปที่อื่นได้สมถะถ้าพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรูทันหนีไปคิดรูทันนะมันจะเห็นเลยได้ พุโทโธเหมือนเดิมไดอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับหลวงพอ่อแต่ไม่จงใจว่าจะต้องอยู่กับพุโทโธตลอด<า>จิตหนีเมื่อไหร่ก็ได้<า>ถ้าบังคับให้จิตอยู่กับพุโทโธก็เป็นสมถะไม่ค่ะคือเรื่สลับวารก็ไม่แน่คือมโนู้ตรงไหนก็ก็ตา ม, อมพอใช้ได้นะหลวงพ่ออย่างนี้หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเกิดนึกตรงนี้ได้พอกลับมาก็จําพุโทโธพุโทโธแต่แล้วอาจจะเปลี่ยนอีกรู้รู้ให้ลึกซึ้งลงไปนะทีแรกเราเห็นตัวสภาวะก่อน เช่นใจหนีไปแล้วรู้ทันใจหนีไปแล้วรู้ทันนะต่อไปให้เกิดปัญญาเห็นไหมใจที่หนีไปมันหนีได้เองนะถ้าเห็นไจรักนะเนี่ยมันเป็นเองมันบังคับไม่ได้นี่ถึงจะขึ้นมิปัสนาถูกนะการที่เราเห็นสภาวะเช่นจิตปิจิดรู้ว่าจิตปิจิดนี่เป็นการรู้ทันตัวจิตจิตปิจิดรู้ว่าจิตปิจิดยังไม่ถึงมิปัสนาต้องเห็นใจรักเช่นเห็นเลยเออจิตมันไม่เที่ยงแฮตะกี้มันคิดดีเดี๋ยนี้คิดร้ายอะไรอย่างเนี้ยนะ เม่อกีเป็นจิตเป็นสุขตอนนี้คิดอย่างนี้จิตเป็นทุกข์เห็นความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนาหรือเห็นว่ามันเป็นอนัตตาจิตมันคิดมันก็คิดของมันเองจิตจะสุขมันก็สุขได้เองจิตจะทุกข์ก็ทุกข์เองเราสั่งมันไม่ได้หรอกทุกอย่างเป็นไปตามเหตุเนี่อย่างนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนางั้นที่ดูจิตดูจิตนะถ้าเห็นตัวจิตเป็นสมถะถ้าเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตถึงจะเป็นวิปัสสนา ะดูกายก็เหมือนกันถ้าเห็นร่างกายเป็นสมถะถ้าเห็นไตรลักษณ์ของกายนี่จะเป็นวิปัสสนาเราั้นตัวที่จะแตกหักว่าจะเป็นวิปัสสนาหรือไม่เนั่นก็คือเห็นไตรลักษณ์ไหมนะน้ำฟังเห็นกายเห็นใจนี่ยังไม่ใช่วิปัสสนาอย่างดูท้องฟ่องยุกเนี่ยเห็นท้องฟ่องท้องยุกไปเรื่อยสมถะนะคือคือสลับก็บางทีก็จะเห็นตรงนั้นมารู้รู้สึกตัวตรงนี้บางทีก็กําลังเดินก็ลั่วไหวอืมก็ไม่ได้ไม่ได้ดูว่า จะซ้ายขวาสมัยก่อนก็ไปเรียนเรียนมาก็เดินซ้ายขวาแต่ทีนี้ก็ไม่เอาไม่เอาก็รู้ว่าไหวอย่างเดียวรู้ว่ากําลังเคลื่อนอยู่กดูไปสิดูไปอีกชั้นหนึ่งร่างกายที่เคลื่อนอยู่ไม่ใช่เราหรอกอาจจะช่วยมันจิตก่อนก็ได้โอเคค่ะถ้าไม่งั้นมันก็ไปดูไหวแล้วจิตมันไหลไปอยู่ที่ไหวนั่นนึกออกไหมจิตไม่ได้ตั้งมั่นเป็นคนดูหรอกมีจิตไปอยู่ที่เท้าที่เคลื่อนนั้นโอเคนั่นแหละจิตไปรวมอยู่กับเท้าสมถะ ถ้าจิตตั้งมั่นเห็นร <alies. S 2> ูปมันไหวจิตเป็นคนดูรูปนี้ไม่ใช่เรารูปนี้ไม่เที่ยงเนี่ยเสียงขึ้นไิปัสสนาเดี๋ยวพ่อมาอีกจะเก่งขึ้นกว่านี้กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก็หนูว่าหนูจะเห็นเวลาที่ที่มันค่อยเกิดสัญญาขึ้นมาในในมโนของเราเงี้ยนะทัหรือว่า เวลาเกิดความคิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าหนูหนูเห็นตอนเกิดนะนะคะหนูไม่ทราบว่าหนูเห็นถูกหรือเปล่าแล้วก็หนูเห็นได้ถูกต้องหรือเปล่าอะคะแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาที่มีทัศน์ากมากระทบอย่างเงี้ยนะเชคะ่ะก็จะก็คิดว่าเห็นความปรุงแต่งได้เร็วขึ้นนะคะจะดีสิค่ะจิตตั้งมั่นไหม จิตเป็นกลางไหมคือเห็นภาษาเรารู้ทันจิตไหมค่ะก็ก็หลายค่ะเห็นเห็นที่เวลาที่จิตมันจะมีความไม่พอใจซะเยอะนะคะหลวงพอ่อดีที่เห็นได้กั น, นคือคื อ, อสมมติว่าเราตากระทบรูปจิตไม่พอใจเรารู้ว่าจิตไม่พอใจนี่อดีอันที่หนึ่งละอันที่สองอีกจิตอยากหายจากความโกรธ ถ้ารู้ทันอีกนะเนี่ยมันไม่เป็นกลางะรู้ลงไปอีกชั้นหนึ่งรู้สภาวะทั้งหลายที่ปรากฏนะรู้แล้วรู้ทันจิตค่ะมันจะเข้ามาที่จิตมันลึกซึ้งขึ้นไปอมันจะเหมือนกับว่ามันแคบเข้ามาเป็นขณะขึ้นอย่างนี้งต้งหลวงพ่อนะมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันเป็นขณะค่ะแล้วอย่างหนูนั่งฟังหลวงพ่ออยู่เงี่ยแล้วหนูภาวนาไปด้วยเนี่ยที่หนูทําไปเนี่ยนะคะระหว่างที่หลวงพ่อเทศเนี่ย หนูทำได้ขนาดแค่นี้ค่ะหนูทำได้แค่นี้หนูพอตัวรอดเองคระหลวงพ่อพะเจ้านะนำค่พระพุทธเจ้านะท่านบอกเลยท่านไน้เสริมเสริมความดีที่หยพอแค่นี้เะเวันนี้เราพอแค่นี้ก็ดีสำหรับเราวันนี้วันท้างหน้าต้องดีกว่า น, นี้สิ ใช่ค่ะหลวงพอ่อแต่ <ทำ S 2> ว่ามันรแบบเราพอใจอยู่แค่นี้หละไม่ขยายแล้ว ห, หนูก็พอใจของหนูอยู่แค่นี้แต่ว่าหนูว่ามันต้องได้มันต้องไปยิ่งกว่านี้เพราะว่าหนูรู้ว่าแค่เนี้มันยังไม่พ้นทุกข์ไม่ไม่ พ, นพ<อ>้นทุกข์รู้ทันกิเลสไปกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตรู้ทันกิเลสอะไรเกิดรู้ทันได้นะแล้วก็จิตเป็นกลางกับมันไหมรู้ทันตรงนี้ ก็คิดว่ามีความเป็นกลางมากขึ้นหลังจากที่พอเรากลับมาย้อนดูเราเห็นสภาวะที่จิตมันแบบมีปฏิฆา ม, มีอะไรเนี่ยรัวตัวปฏิฆานี่ตอนหลังเราเห็นเห็นทีทีมากๆจนว่าโอ้โหทำไมเราเป็นคนที่ขี้โกรธได้มากขนา ด, ด, ดนี้ค่ะลูกน้องก็จะสบายขึ้น <laughs> <laughs> ดีแล้วล่ะนะเห็นเห็นกิเลสเนะ ดีที่สุดเลยเพราะกิเลสเป็นของจริงนะเป็นสภาวะธรรมเป็นปรมัต ธ, ธรรมอย่างหนึ่งของจริงเกิดขึ้นมาจริงๆงแล้วเราก็เห็นเลยปฏิฆาจะเกิดไม่ได้สั่งให้เกิดเกิดได้เองห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เนี่ยลองดูของจริงไปเนี้จะเห็นใจรักบังคับไม่ได้ของไม่เที่ยงครับครับก็เอ่อประมาณห้าหกปีแล้วครับที่เป็นอย่างนี้คือจาก ประมาณรักแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยจะเป็นการเพ่งแล้วก็อัดๆในใจครับแล้วก็พอก็จะตื่นขึ้นมาสักประมาณยีสิบเปอร์เซ็นแล้วก็จะวนเวียนอยู่อย่างเงี้เยเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นมานานมากแล้วครับอย่าใจร้อนซิปีนี้กับปีก่อนๆสภาวะจิตต่างกันไหมก็ทุกสั้นลงครับเออนะเราไม่ได้วนเวียนอยู่ที่ย่าอยู่กับที่ไม่ใช่แต่การเรียนธรรมะ ม, มันเรียนอยู่ที่เดิม ก็เรียนอยู่ที่รูปนามรูปนามก็รูปนามนี่แหละนะก็ซ้าๆอยู่ตรงนี้แต่ความรู้ความเข้าใจของจิตเนี่ยไม่เหมือนเดิมอย่างแต่เดิมเรียนจิตมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้วันนี้เรียนมาจิตพัฒนาขึ้นอาจจะเห็นโลกห่างออกไปรู้สึกไหมครับเห็นไหมร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกลูเห็นหนะมแต่ก่อนไม่เห็นอะ่ะ ม, <laughs> มันพัฒนานะมันใช่ไม่พัฒนาดูไปเรื่อยเห็นสภาวะ อันนี้เป็นสภาวะเชิงเดี่ยวแล้วแต่ก่อนเนี้ยเราเห็นขันนันมารวมกันนะเราไปหมายว่านี่คือตัวเราแต่ตอนเนี้ยพอจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี้ยขันมันแยกตัวเนี่ยร่างกายส่วนร่างกายเวทนาส่วนเวทนาสังขารที่เป็นกุศลอกุศลส่วนสังขารจิตส่วนจิตตัวนี้ดูออกไหมล่ะครับแล้วเห็นไหมพอมันแยกออกไปแล้วแต่ละอันไม่ใช่เราละก็เห็นในเวลาที่เกิดสติอะครับแต่พอใช่กลับมารวมกันก็กลับมารวมกันก็หลงผิดอีก นั้นมันเลยต้องมีจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันจะแยกขันมันจะแยกออกพอขันมันแยกออกแล้วขันแต่ละขันนั่นแหละจะสอนไตรลักษณ์นับ่นแหละวิปัสสนาแท้ๆอยู่ตรงนั้นนะถ้ายังขันยังไม่แยกออกยังมาคุยเรื่องวิปัสสนายังไม่ขึ้นหออกไม่ขึ้นถึงวิปัสสนาหลวงพ่อช่วยแนะนําเพิ่มเติมที่ปฏิบัติอยู่จิตต้องถึงฐานนะจิตถึงไหมศาสนาเนี้ยเอไม่ค่อยถึงครับก็กดนิดนึงครับอืกดส่วนกดนะ ถ้าไม่ถึงฐานเนี่ยจิตจะกว้างกว้างออกไปแล้วมีความสุขนะกว้างกว้างเบาเบามีความสุขร่เพลเินอยู่ตรงนี้ให้รู้ทันว่าใจเราเพลิดเพลเินไปในความสุขที่จิตมันโล่งโลงว่างๆเราไม่เอาความสุขตรงนี้หรอกอความสุขตรงนี้เป็นเหยื่อล่อเป็นกับดักของนักปฏิบัตินีความสุขมากขึ้นไหมล่ะก็เลยรู้สึกว่าเออทําอย่างนี้แล้วมีความสุขมันก็เลยเหมือนหลอกให้ไปทําอย่างนั้นใช่อะสิ เนานี่แหละขับดับละนิดนึงครับเอ่อเรื่องไตรลักอณ์ครับเอ่อสงสัยว่าพอเราเห็นว่ามันเกิดแล้วมันดับก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของไตรลักแต่ว่าไม่เข้าใจว่าเราต้องคิดนําหรือว่าไม่ต้องก็ได้คือใจาถ้ามันเห็นเกิดดับไปเรื่อยนะแล้วจิตมันเห็นไตรลักณ์ได้เองก็ไม่ต้องไปคิดมันถ้าดูไปแล้วก็ทื่อทื่อซื่อบื้ออยู่ไปเรื่อยช่วยมันคิดหน่อยคือเหมือนกับมันจะยากว่า เราเห็นไตรักกับจิตเห็นไตรักอย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่เราฝึกให้จิตมันเห็นไม่ใช่เราเห็นหเพราะจริงจริงมันไม่มีเราครับอย่าไปติดแต่ความสุขนะถ้าติดความสุขได้เป็นคนดีใจโล่งโลงว่างๆอ่างนี้ยเป็นคนดีอ่ะไว้หน่อยนะอย่าหลวงพ่อจะต้องรีบกลับเหมือนกันเลย <c oughs> นมัสการเจ้าค่ะคือจะมีสามสี่ข้อนะเจ้าค่ะ คือมีช่วงเวลานึงที่ยมทำเหมือนกับว่ากำลังตามรู้อิรยาบถ ย, ย่อยแล้วก็ปรากฏว่าช่วงขณะนั้นจำได้ว่ากำลังล้างหน้าประมาณอย่างเงี้ยแต่เกิดการคันจมูกขึ้นมาก็ค่อยๆยกมือช้าๆไปเกา่ว่าพอเราเกาปุ๊บก็รู้สึกออตัวไข่นั่นเนี่ยดังนั้ น, น, น, น, นจีตเป็นเห็นรูป แล้วเ้าคะแล้วเราต้องต้องต่อยอดยังไงหรือพัฒนาจากตรงนี้ไหมเจ้าค่ะอย่าไปกําหนดมากนักนะกําหนดแล้วไม่ค่อยเกิดหรอกแต่มันก็แวบเดียวนะเราก็รู้ก็เลยมองกระจกปัญญาเวลาเกิดน่ะเกิดทีละแวบเเวลาอริยมรรคเกิดนะอย่าว่าแค่ปัญญาเลยอริยมรรคก็เกิดแวบเดียวออไม่มีสองแวบด้วยแต่ก็เลยมองดูที่กระจกว่าเป็นไข่ตรงนี้ยฟุ้งและวฟุ้งแล้วจิตมันตกจากวิปัสสนาล้ว เจ้าค่ะแล้วก็อีกอีกครั้งหนึ่งที่แบบจับได้ชัดเจนก็คือตอนเดินค่ะเดินจงกลมเนี่ยก็มีความรู้สึกร้อนที่เท้าแรกๆเนี่ยร้อนรู้สึกแล้วมันก็มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ไม่รู้ทํำยังไงก็หยุดเดินเลยเช้าค่ะแล้วมาดูที่เท้าเนี่ยเท้ามันแดงจริงๆอแดงเหมือนแดงพองบวมอย่างนั้นนะคะแล้วเป็นอยู่อย่างนั้นประมาณหลายวันเจ้าค่ะ แม้กระทั่งเราไม่ได้เดินจงกรมแล้วนะจ๊ะกลับไปบ้านเดินเดินเดินปกติที่บ้านเนี่ยที่พื้นถอดรองเท้าปุ๊บจะรู้สึกเลยว่าร้อนอันนั้นคือสภาวะอะไรเจ้าคะก็เป็นแค่รูปธรรมแล้วเราจะต้องแค่รู้สึกไม่ใช่แค่รู้สึกต้องมีสติปัญญาพอนะถ้าจะเดินจนขาพิการก็ไม่ออกไม่แบบเราก็เลิกเดินอันนี้ถูกต้องแล้วใช่มัหมล่ะคะก็ไม่ถูก มันร้อนร้อ น, อนมากร้อน<า>ร้อนเห็นไปร่างกายมันร้อนใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้นะะร่างกายมันร้อนใจเป็นคนดูรู้สึกเดินต่อไปก็ไม่ไม่เหมาะแล้เดี๋ยวจะพิกลพิการไปก็หยุดเดิน mm hmm. ก็เห็นในะความร้อนมันลดลงใจเป็นคนดูธ mm hmm. นะาตุไฟมันเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็อืมต้องสอนตัวเองอยังไงเจ้าคะ่ะจึงจะรู้สึกว่า อยากจะให้มีเมตตามากมากขึ้นเพราะว่าเมตตาเนี่ยมันต้องสร้างความรู้สึกเป็นมิตรนะวิธีจะสร้างความรู้สึกเป็นมิตรที่ดีคนโบราณสอนนะเอาใจเขามาใส่ใจเราคือมองคนอื่นในมุมของเขาบ้างแล้วมันจะเข้าใจพอเข้าใจแล้วมันรู้สึกเป็นมิตรเองอะ่ะเพราะว่าบางทีเหมือนกับไม่ไล่หลังใจเจ้าคะ่ะก็เลยจะเอากิเลสแล้วก็เลยรู้สึกเอเราทาไม เมตตาเราน้อยหรืออย่างไรเนี่ยทําไมมันไม่ไล่หลังใจไปหมดเลยอย่างเงี้ยเพราะนั้นโทสะมันเกิดละเจา้าค่ะถ้ า, ต, า ต, ตัวเองเกิดมันก็ไม่เมตตาตหรอกอโทสะกับเมตตามันศัตรูกันเจา้าค่ะแล้วอย่างนั้นเราจะสอนตัวเองยังไงเช่นกุศโลบายในการคิดว่าเออทําให้เราเนี่ยไม่ไม่โกรธเขาอย่างเงี้ยไม่ได้เอาแค่ว่าโกรธแล้วรู้ทันว่าโกรธนะอย่างเนี้ยทันแล้วก็เปลี่ยนมุมมองบ้างไม่ตัดสินไม่จ้าชเขาจากมุมของเราเจ้าค่ะ มองจากมุมของเขาบ้างแล้ว <จะ S 2> เขาเข้าใจว่าไม่โกรธแล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งนะเจ้าค่ะสุดท้ายสุดท้ายก็คือว่าโยมเนี่ยภาคหลังเนี่ยไม่ค่อยได้ไปทําแบบรูปแบบอจาจารย์เนื่องจากเวลาเราก็ได้แต่ ก, กําหนดที่เราทําได้เช่นนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านเช้าเย็นช้าก่อนนอนหรือว่าทําอะไรก็พยายามให้จดจ่อตรงนั้นอย่างเนี้ย อ, อการพัฒนาของเราเนี่ยพัฒนาลําบากเนาะใช่ไหมเจ้าค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ฝึก ที่จะเป็นคนดูเป็น ร, ปบบราชอบฝึกกําหนดไปอย่างเดียวกําหนดไปจ้องอยู่ที่สภาวะปรากฏการที่กําลังปรากฏของรูปธรรมำนำมาทำใจเราไม่ได้ถอยออกมาเป็นคนดูนี่ถ้าอย่างนั้นเราเออ่ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไปทํารูปแบบอย่างนี้แต่เราสามารถที่จะฝึกเป็นคนดูได้เหมือนกันได้คอยรู้ทันใจที่ไหลที่ชิดน่ะะนะรู้ทันตัวนี้บ่อยๆ มีกติกาไม kind of ่ให้ถามคนละกี่ข้อคนละข้อครับนี่จำไว้นะคนนี้ถ้าหลวงพ่อมาอีกห้าครั้งห้ามถามมาสาธุครับการนมัสการหลวงพ่อนะคะคือที่ปฏิบัติอยู่ก็คือว่าเอใช้การปฏิบัติในรูปแบบก็คือพยายามสวดมนต์เช้าแล้วก็สวดมนต์ตอนเย็นแล้วก็นั่งสมาธิอะค่ะแต่ว่าจะนั่งได้ ช่วงสั้นๆเพราะว่าเครื่องหนูที่ใช้คือใช้ดูลมหายใจอะค่ะพอสักพักลมหายใจมันก็จะหายไปพอรู้สึกตัวอีกทีก็คือสับบงบกแล้วอะค่ะมันหายไปเพราะมันขาดสตินะแต่ไม่ใช่เพราะจิตรวมค่ะแล้วหนูก็เลยแบบเปลี่ยนมาเดินตรงโคมแทงคือให้สร้างสติเอางี้นะหนูค่ะหนูไปดูใจตัวเองแบบทํากรรมฐานอะไรก็ทําไปอย่างเดิมแหแต่รู้ทันใจไว้มันมีความหงุดหงิดแทรกขึ้นมาเราก็รู้ไปนะคะ ไม่ว่าจะทําอะไรถ้าใจมั น, นหงุดหงิดขึ้นมาเรารู้ไปคือตัวนี้ให้เยอะๆเดี๋ยวตัวอื่นมันเห็นเองแหละค่ะแล้วก็ระหว่างในในชีวิตประจําวันนะคะขณะที่ไปหาลูก ค, ค้าะคะ่ะ อ, อยู่ลูก ค, ค้ารอเอกสารหก็พยายามดูลมหายใจแต่ว่าจะหรือแม้กระทั่งเวลาเดินเข้าห้องน้ํามันก็จะพยายามรู้ว่ากระร่างกายกําลังเดินอยู่อันนี้ใช้ได้นี่คะ่ะอืมก็ได้สมถะนะอ๋เอคืออยากจะขอการบ้านหลวงพ่อะคะ่ะไป ติด่อลูกค้านะสนใจลูกค้าค่ะสนใจสนใจลูกค้าระหว่างที่ลูกค้าแปลเอกสารนะคะเออเราก็รู้ทันใจของเราใช่ค่ะไม่ใช่อยู่กะลมเฉยๆนะค่ะเดี๋ยวอยู่กะลมนานแล้วซึมลูกค้ามั้งหนูว่จะติดบแบบหลงส่งจิตออกนั่นแหละนั่นแหละนะใช่ไหมเออเจ็มันฟุ้งไปเพราะงั้นหนูคอยรู้ทันไว้นะ หัดอย่างนี้นะ่าหัดรู้ลมหายใจแล้วจิตหนีไปเรารู้ทันลมหายใจอาจจะไม่เหมาะทำแล้วซึม<ฆ>นะเพราะงั้นอาจจะหัดพุดโทโธแทนเนี่ยได้พุทโธพุทโธจิตหนีไปเรารู้ทันฝึกตัวนี้มากๆนะต่อไปจิตนี้อยู่กับเนื้อกับตัวนะต่อไปหน้ะต่อไปมาสการเจ้าค่ะ อ, อหนูฟังซีดีผ้อาจารย์มาสามสิบปีแล้วค่ะก็ฝึกหนึ่งที่ผ้อาจารสอน ไม่ทราบว่าตอนนี้หนูมาถูกต้งเห็นกิเลสไหมล่ะเห็นค่ะเห็นไหมกิเลสเกิดได้เองใช่ค่ะตามองเห็นกิเลสเกิดเห็นไหมค่ะหูได้ยินเสียงกิเลสเกิดใจคิดกิเลสก็เกิดเห็นไหมมันทํางานได้เองใช่ค่ะดูไปเรื่อยนะแต่ทุกวันทําในรูปแบบบ้างนะไม่พาสวดมน์อย่างเงี้ยแล้วใจเราไหลไปเราเคยรู้ทันนะจะได้เพิ่มพลังพลังน้อยไปเออขนาดนี้ยหนูใช้กายกับจิต เป็นวิรหารและทำสลับไปเรื่อยๆทำสมถะบ้างนะท้กรรมสมถะไม่จริงหรอกคารวะนะมีจุดอ่อนอยู่ข้อนะสมาธิไม่ค่อยพอใ จ, ใจมันฟุง้งฟุ้งใจมันฟุ้งมันไม่มีแรงที่จะดูจริงนะคือตอนนี้ที่ทำอยู่เนี่ยก็เป็นการเ อ, อไหว้พระสวดมนต์เช้าเย็นนะจะแล้วก็นั่งสมาธิแต่ว่าคือที่ปฏิบัตินี่น่าจะรู้สึกว่าตัวเองได้สมถะจะมาก ลักษณะที่ชีวิตประจำวันนี้จะเมื่อมีสติเนี่ยจะคือเหมือนตอนนี้มันได้มากขึ้นนะาแต่ว่าไม่แน่ใจว่าที่ทำอยู่เนี่ยคอยรู้ทันเวลาจิตไหลไปน ะ, ะจิตเราต้องตั้งมั่นเป็นคนดูให้ได้นะแ ต, แต่ก็ที่ทำอยู่ก็โอเคลเลใช่ไหมจะ ก็เหมือนที่ตอบไปเม่กียนะพระพุทธเจ้าให้เราสรรเสริญความดีที่หยุดนิ่งโอเคสำหรับวันนี้นะของหนูเนาะนะพานาไปเรื่อยๆดีค่ะนมัสการค่ะเออก็ฟังฟีดีพระอาจารย์มาประมาณสองปีได้แล้วค่ะ ก็ล่าสุดที่ก็เพิ่งจะมีความรู้ควาเข้าใจถึงการที่จิตออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูก็จะเห็นว่าจิตของเราเนี่ยมันไหลไปคิดตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็พยายามจะลากขยะเข้าบ้านด้วยนั่นแหละค่ะแล้วก็อย่างเมื่อกี้ตื่นเต้นก็จะดูตัวเองแยกตัวเองออกมาดูตัวเองกำลังตื่นเต้นอยู่ถูกแล้วก็ฟังภาจาร์ไปเนี่ยความตื่นเต้นมันก็บางทีมันก็หายไปบางก็กลับมาอะไรประมาณเนี้ยค่ะไม่ทราบว่าโยมดูถูกไหมคะ <laughs> ดูได้ถูกต้องดูได้ถูกค่ะแล้วก็กําลังน้อยไปไหมคะกําลังในการดูกําลังกงทําไปเรื่อยทำทุกวันนะสวดมนต์ไหว้พระอะไรก็รู้ทันจิตไปเ <c oughs> ปรื่อยค่ะครูบาอาจารย์สอนพุทโธอย่างเงี้ยท่านไม่ได้ให้พุทโธเป็นนกแก้วนกขนทองนะค่ะท่าพุทโธแล้วก็คอยรู้ทันจิตตัวเองจิตเนี้ยตั้งมั่นขึ้นมาค่ะโยมก็ปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะ <c oughs> จิตถึงฐานไหม อืมก็บางครั้งก็ถึงบางครั้งก็ไม่ถึงตอนนี้ล่ะตอนนี้ไม่ถึงค่ะโอเงเหมือนกันกลับนะมัศ ก, การเจ้าค่ะพระอาจารย์เคยบอกว่าโยเมื่อแบบจะติดตึงซึมไปหน่อยอะไรเงี้ยเจ้าค่ะแล้วจริงไหมจริงเจ้าค่ะร<ต>หรือว่านนหลวงพ่อใส่ร้าย <laughs> ตอนนี้ดีขึ้นหรือยังเจ้าค่ะเรารู้ด้วยตัวเองนีใจเราเหมือนเดิมไหม บางทีก็บอกไม่ถูกเหมือนกันเห็ได้เจ้าค่ะแล้วเอ่อยังจิตของโยมเนี่ยถึงฐานหรือเปล่าเจ้าค่ะถึงเห็นจิตที่หนีไปคิดไหมเห็นเป็นบางครั้งค่ะเออน่าตอนที่รู้ว่ามันหนีไปคิดนั้นแล้วเราไม่ดึงอ่ะตัวนั้นน่ะถึงไม่ถึงว่าไม่ดึงกลับมาอยู่กับอย่าไปดึงเลยถ้าดึงมันไม่ใช่สมาธิแท้ไปบังคับจิตเนาะ เดี๋ยวจิตไหลไปคิดเรารู้ไหลไปคิดเรารู้นะเพียวค่อยๆรวมตัวเข้ามาแล้วค่อยตั้งมั่นเป็นคนดูขึ้นมาเดี๋ยวค่ะอาจารย์มีอะไรแนะนำยมอีกไีมคะก็มีนะไปทำอีกทำเหมือนเดิมใช่ไหมเจ้าค่ะเราสำรวจตัวเรานะกุศลอะไรยังไม่ทำก็ทำไปอกุศลอะไรยังไม่ละก็ละไปตรวจไปเรื่อยอย่างบางทีขี้เกียจอย่างเงี้ยนะ ความขี้เกียจเกิดเรารู้ทันเะยอย่าไปยอมมันอะอย่างงี้สำรวจใจเราเจค่ะขี้เกียจบ้างไหมบ่อยเจ้าค่ะโยมก็ดาเอาอย่างนี้เลยแต่แต่ยมก็จะมีแบบว่าวิหารธรรมที่ต้องทําเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีค่ะอย่างตอนเช้าจะเดินจงกรมครึ่งชั่วโมงแล้วก็อตอนกลางคืนก็จะหนึ่งชั่วโ <c oughs> มงเคยไหมเดินเดินไปแล้วก็ดูนาฬิกา ดูบ่อยดูบ่อยเมือไระเาเดินจงกรมเราไม่ได้เดินเอาเวลาหรอกเราเดินเอาสติค่ะบางคนเดินเอาเวลานะบางคนเดินเอาระยะทางค่ะเดินเวลาก็ค่อยดูด้วยได้เวลาแล้วเลิกนะเดินเอาระยะทางเช่นวันนี้จะเดินไปกลับเนี่ยร้อยเที่ยวรีบจ้ำอย่าเลยให้มันหมดร้อยหนึ่งแล้วบอกเสร็จแล้วเราฝึกเอาสติหรอก เจ้าค่ะโยมก็ทราบแต่โยมก็ไม่รู้จะกําหนดไว้ว่ายังไงว่าควรจะเดินเท่าเท่าไหร่อะไรเงี้ยเจ้าค่ ะ, คะเพราะว<ส>่าถ้าไม่กำหนดนะโยมก็จะไม่เดินนะต้องบังคับตัวเองก่อนเจ้าค่ะขั้นแรกเนี่ยบังคับตัวเองให้ลําบากนิดเดียวนิดเดียวนะสมมติว่านั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยได้สิบนาทีเดินสักสิบสองนาทีอะไรเงี้ยฝืนนิดนิดนะแล้วอีกวันหนึ่งเราฝึกไปเรื่อยนะพอจิตใจเราสบายมันได้มากขึ้น ค่อยๆยกขึ้นไปใะหมายหมายถึงว่าโยมจะต้องลดลงไหมคะเจ้าค่ะจะไมจะลดลงล่ะยังโยมตอนนี้ตั้งหนึ่งชั่วโมงโยมจะ <c oughs> และเลื่อนสิบใหม่หรือเปล่า ไ, ไม่ต้องไม่ต้องนะเดินไปแล้วเจ้าค่ะเดินแล้วกแยกรูปนามไปนะเจ้า <c oughs> เห็นกายมันเดินใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยอ่ะ <c oughs> ไปเจ้าค่ะอย่วัฒ ก, กรรมใช่ไหมคะ หลวงพ่อที่ผ่านมาโยมใช้ลมหายใจนะคะแล้วมีอยู่ระยะหนึ่งรู้สึกว่าดูจิตแล้วมันเบาเกินไปนะคะ่ะตอนหลังก็เลยมาพยายามทําสมาธิให้มากขึ้นพอทําสมาธิเนี่ยก็มีอยู่ระยะหนึ่งก็ติดว่าซึมหลับก็เลยเปลี่ยนมาเดินจงกรมคะ่ะก็เลยพยายามทําสลับกันอยู่ตอนนี้แล้วก็เปลี่ยนจากจิตมาเป็นผ่านกายนะคะือทําไมมัน<ห>ต้องเปลี่ยนล่ะเปลี่ยนมันเปลี่ยนเองหร โดยตรงใจเปลี่ยนพรารู้สึกว่าดูกายมันจ ะ, นจะเหมือนแบบว่าดูดูได้ชัดใช่ไหมถ้าดูกายชัดดูกายไม่ต้องไปเปลี่ยนไปดูจิตหรอกทางไหนก็ได้แต่ว่าจิตเป็นคนดูเห็น <He en S 2> ไหมร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูตั้งตัอย่างนี้เรื่อยไปน ะ, ะอย่างนี้แค่แค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปดูจิตหรอกก็ตอนนี้พยายามจะให้เผู้รู้รู้ให้ให้ให้ชัดขึ้นนะคะอย่าไปบังคับมันมากนะเดี๋ยวตึงไปค่ะ ดูสบายๆแต่ไม่ขี้เกียจค่ะโยมควรจะปรับส่วนไหนค็คือดูอยาา่าบังคับตัวเองให้นิ่งค่ะอย่าไปกดจิตให้นิ่งๆแข็งๆนะดูกายก็ดูสบายๆเห็นร่างกายไปยักหน้าเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยๆดูสบายๆดูได้ใจที่สบายอ่ะนะไม่ใช่ดูได้ใจเคร่งเครียดค่ะอย่ไปกดมันก็ ค, คือปล่อยออกมาใช่อ่ะของคุณ นมัสการหลวงพ่อนะครับคือผมเองถ้าพูดถึงนี่ก็ปฏิบัติธรรมโดยศึกษาจากเทพของท่านอาจารย์พุทธทาตุโดยวิธีอานาปานาสติก็ปฏิบัติมาก็หลายสิบปีพูดถึง mm hmm. แล้วมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยก็คือในช่วงสงกรานต์ก็มีไปเข้านั่งกรรมฐานซึ่งเป็นการนั่งกรรมฐานข้างแรกร mm hmm. และทีนี้ผมก็มีความรู้สึกว่าจากการที่ปฏิบัติโดยวิธี อาณาปานสติเนี่ยก็คือได้ได้ความยิ่งแต่บางครั้งเนี่ยแล้วหลังมาเนี่ยมีการเดินเร็วแล้วก็ตามลมหายใจไม่ทันพอไปที่นั่งนั่งที่กรรมฐานเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าการที่เรามีการเปลี่ยนอริยบทเนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่ามันตามดูง่ายกว่าลมหายใจพรว่ารู้สึกมันจะลดการเดินเร็วลงได้พูดถึงผมก็มีความรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอรจจองปฏิบัคู่คู่ไปคือต้องเอาอริยบทที่เด่น ในการที่แยบในการที่จะมาตามดูในจุดนั้น<ม>ก็ขอกราบนุสการสอบถามความคิดเห็นของคุณแม่นมได้ครับคือจุดหลักนะเราต้องมีสตินะเราไม่ได้เอาลมหายใจไม่ได้เอาอิทธิยาบทอะไรหรอกเราเอาสตินะหายใจถ้ามีสติก็ใช้ได้ถ้าช่วงนี้หายใจแล้วมันไม่ชัดเจนนะเคลื่อนไหวแล้วชัดกว่าเราก็เคลื่อนไหวแต่ไม่ใช่เปลี่ยนทุกวันนะไม่ใช่เปลี่ยนกรรมฐานไปเรื่อยๆ แต่เราปฏิบัติอย่างนี้รู้ลมหายใจนะรู้อีริยาบทก็ทำได้ขนาดนี้มไม่ไม่ต้องเพิ่มกรรมฐาอะไรเยอะๆขอบคุณมากครับจิตเป็นยังไงก็ตั้งมั่นดีครับดีดีชัวละขอบคุณครับเห็นบ้างไหมลอ่อยู่ห่างๆก็เห็นสภาพเหมือนเดิมครับเราต้องไม่ประคองจิตให้นิ่งครับผมนะ ถ้าเราปกครองเนนะี่ยปัญญาจะไม่เกิดครับเราปล่อยให้มันทํางานเพื่อเราจะได้เห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้จุดนี้จุดสําคัญมากเพราะบางปี <revers ing> <ช>ผมเองทราบว่าผมเองก็ต้องตายอื <sh arp> แล้วทีนี้ผมรู้สึกว่าผมผมค่อยจไปสมควรเรื่องเรื่องความตายอื <S <s <votes. S 2> แล้วผมก็เข้าไปสวดมนต์แล้วผมมีความรู้สึกว่าพอผมสวดมนต์อยู่ที่เปลี่ยวๆเนี่ยผ ม, มรู้สึกว่าผมมีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าอะไรก็ไม่รู้ก็เลยมีความรู้สึกว่าที่จริงๆเมื่อเรารู้ความตายเนี่ย ถ้าเรากใกล้ภ า, าวะนั้นเนี่ยเรารู้จริงหรือเปล่ า, าก็เลยต้องปฏิบัติต่อดีปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วจะรู้ว่าไม่มีคนตายหรอกธรรมสการ์ค่ะหลวงพ่อที่ทำอยู่ก็คือฟังซีดีของหลวงพ่อแล้วก็เดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างค่ะแล้วทีนี้ได้รับสิทธิ์เข้าปฏิบัติธรรม ที่สนสันติธรรมช่วงต้นเดือนหน้าค่ะก็เลยอยากจะขอคำแนะนำเพื่อฝึกก่อนไปอยู่จริงจะก่อนจะฝึกที่ไหนก็ฝึกเหมือนกันหมดเลยมีสติรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นเลยนะทำตัวเป็นแค่คนดูนะ <c oughs> แล้วก็ไปเตรียมตัวตัวนี้นะไปฝึกไว้จิตฟุ้งซ่านเรารู้ไวๆ ไ, <c oughs> นะไม่บังคับให้นิ่งนะแต่มันมัน <c oughs> แอฟุ้งซ่านเราคารู้มันฟุ้งซ่านเราคารู้ฝึกไปบ่อยๆค่ะ <c oughs> ดูออกไหมจิตฟุ้งซ่าน ร, รู้จักไหมรู้จักแต่ไม่ทุกครั้งอืดูไปสบายๆอย่าไปกดให้นิ่งด้วย<ฆ>สิ่งที่เราจะไม่ทํามีสองอันนะบังคับเอาไว้เนี่ยอันหนึง่งแล้วก็ปล่อยเตลดเิดเปิดเปิงไปอันหนึ่งขาดสติอันหนึงนน่งบังคับแรงเกินไปค่ะนะงั้นก็คือกลับไปฝึกในรูปแบบแล้วก็ฝึกรู้สึกตัวไปค่ะ<ฆ>นะเรปล่อยให้กายให้ใจเขาทางานเรามีสติตามรู้ตามดูเรื่อยๆ ขอบคุณค่ะกับนิมิตการค่ะหลวงพ่อปกติหนูจะดูจิตตัวเองเวลาที่มีความทุกข์อะค่ะกับเวลามีความกังวลตอนนั้นนะคะก็จะมาดูจิตนะคะแต่เวลามีความสุขนี่ไม่ไม่ได้คิดเลยค่ะโอเนาะค่ะน่าเห็นใจก็ก็จะดูจะเห็นเวลาทุกข์อะค่ะก็จะมาดูดูตรงนี้เท่านั้นนะคะไม่จริงหรอก ถ้ารู้จักทุกนะจะรู้ว่าตลอดเวลาเนี่ยทุกนะค่ะคําว่าสุขไม่มีจริงหรอกช่วงไหนความทุกข์บางลงแล้วบอกสุขหรอะแต่พอความทุกข์มันน้อยเราเราแบบเคยชินแล้วเราทนได้เราก็ลืมดูค่คล้ายๆมันซ้ำซากมันเกรีนเกินไปหรืขี้เกียจดูค่ะเทวดามีความสุขเยอะนะค่ะงั้นเทวดาบางองค์เน่ขี้เกียจภาวนามีความสุข แต่พอมีความทุกข์ขึ้นมาก็จะขยันดูหน่อยเป็นธราหนูก็จะขยันเวลานั้นนะฮะส่วนม า, ากหลพ่อก็เกรงใจไม่จะอวยพรให้ทุกเยอะเยอ <c oughs> ะมันทุกข์กนะคือถ้าภาวนาเป็นนะถึงจุดหนึ่งจะเห็นเลยะทั้งสามแดนโลกธาตุเนี่ยไม่มีที่อย่างเท้าลงไปแล้วมีความสุขเลย มีแต่ทุกข์ล้วนล้นเลยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับนะมีแต่ทุกข์ล้วนล้วนเลยเข้าใจเห็นว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นเป็นทุกข์ไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิใดในสภาวะของจิตแบบไหนนะแบบมีความสุขอย่างโลกโลกอยู่ก็เห็นทุกข์เห็นทุกข์อย่างเขียมแจ้งนะจิตถึงจยอมวางถ้าไม่เห็นทุกข์จิตมันก็เร็ดอร่อยไม่ยอมปล่อยนะเห็นทุกข์ถึงจะเห็นธรรม นวัต ก, กรรคะ่ะหนูไม่เคยไปเข้าคอร์สหรือว่าศึกษาในเรื่องของการนั่งสมาธิที่ไหนมาก่อนเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ก็อยากที่จะเริ่มต้นแต่ทุกครั้งที่ทําก็คือว่าไม่ได้ไปเรียนแต่ว่าพี่พพประจวบคะ่ะเขาก็จะสอนในเรื่องของการดูจิตถ้าจิตไปก็ให้เราเราดึงกลับมาจิตไปจิตไปเราไปรู้ทันแต่เรารู้สึกเหนื่อยเพราะมันไปบ่อยอ เ, <ๆ S 1> เราเลยรู้สึกว่าเออแล้วอย่างนี้เราจะ นั่งอย่างอย่างนานๆแล้วนั่งอย่างมีความสุขได้อย่างไรอะไรเงี้ยคะอย่าไปเริ่มต้นด้วยการบังคับมันจิตเหมือนเด็กนะไม่ชอบใม่ใครบังคับยิ่งบังคับยิ่งดือ้อน้วเราคอยรู้ทัน เ, เรื่อยๆนะหาอารมณ์ที่ที่เป็นกุศลนะ่ะมาเป็นที่อยู่ของจิตี่อยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับอะไรก็ได้นะแล้วก็คอยรู้ทันจิตเอาอยู่ๆไปดูตัวจิตตรงๆมันหลงยาวนะ เพราะะหัดพุทโธไปอดทนเอพุทโธพุทโธจิตนี้ไปเรารู้พุทโธแล้วจิตเป็นสุกรู้พุทโธแล้วจิตเครียดรู้พุทโธแล้วจิตเฟ้งซ่านรู้นะอย่างนี้มันหัดดูอย่างนี้มันถึงจะดูไหวก็แค่รู้เท่านั้นไม่ต้องไปอยู่ๆไปอยู่ๆไปดูจิตไม่มีอะไรให้ดูค่ <begitu. S 2> นะเะนั้นะ LA, <k laughs> อยู่ๆเราอยู่ก็กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรเงี้ยแล้วจิตเกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วเราค่อยรู้เอาอย่างนี้ถึงจะมีให้ดูถ้าอยู่ๆจะไปดูจิตนะมันจะว่างๆไม่มีอะไรให้ดูหรอก เดี๋ยนิ่งๆดูฟักเดียวก็เบื่อแล้วนะงั้นไปหาอารมณ์กรรมาฐานมาสักอันหนึ่งนะถ้าเราอยากพ้นทุกข์จริงๆอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้แล้วดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปค่ะขอบคุณค่ะมรการค่ะหลวงพ่อคือไม่เข้าใจอย่าดูจิตในชีวิตประจำวันบางอย่างค่ะเช่นอารมณ์ตื่นเต้นเรารู้เราจะขึ้นเวทีแล้วเราก็ ให้ดูก็คือรู้สึกเออใจเป็นแรงหายใจแล้วดูยังไงต่อครับแค่ยังงั้นดูร่างกายไม่ได้ดูจิต <น S 2> ถ้าดูจิตแล้วตื่นเต้นรู้ว่าจิตกําลังตื่นเต้นอยากหายตื่นเต้นไหมจะขึ้นเวทีแล้วตื่นเต้นมากเลยอยากหายไหมยอยากนั่นแหละให้รู้ทันว่าอยากนั่นแหละดูจิตไปดูว่านี่ตื่นเต้นแล้วหัวใจเต้นแล้วนี่ดูกายพอรู้สงสัยไหม สงสัยรู้ว่าสงสัยนะั่นแหละดูจิตหลักของการดูจิตทําอย่างนี้นะเมื่อตามองเห็นรูปความรู้สึกใดๆเกิดที่จิตมีสติรู้ทันเมื่อหูได้ยินเสียงนะความรู้สึกใดๆเกิดที่จิตให้มีสติรู้ทันเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายกระทบสัมผัสเมื่อใจคิดนึกปรุงแต่งความรู้สึกใดๆเกิดที่จิตมีสติรู้ทันแค่นี้เอง ไม่ใช่จะขึ้นเวทีแล้วตื่นเต้นหัวใจเต้นแล้วว่าดูจิตแล้ น, นั่นดูหัวใจเนะขาถามอีกอันหนึ่งค่ะพอดีมีมีหลานมีเด็กเล็กมาเด็กว่าสามว่าสี่เราจะาแนะนําเขายัางไงหรือสอนเข้าไงด้วยวิธีง่ายๆเพราะเพราะการดูจิตแค่ผู้ใหญ่อายุเท่าไหร่เด็กว่าสี่อายุเท่าไหร่ติดครัวค่ะเปี<ห>่ยค่ะเปิดซ <พา S 2> ีดีหลวงพ่อให้เขาได้ยินเรื่อยๆนะแล้ววันหนึ่งเขาจะบอกว่าหลงไปแล้ว <laughs> ค, คเด็กก็มันเรียนง่ายกว่าที่เรานึกนะกับในพิธกกีรำลหลวงพ่อนะคะอะสิ่งที่หนูสงสัยก็หลวงพ่อได้ตอบพี่พีได้ ม, มหมดแล้วนะคะแล้วก็เอหนูฟังซีดีพระจารย์แล้วก็ที่หนูทําก็คือเวลาหนูมีโกรธก็คือแบบมันโกรธไปแล้วะคะ่ะแต่ทีนี้เนี่ยเพิ่งมันนึกได้ว่าไปแล้วทํา เพิ่งเลิกได้เนี่ยช้าไหมอย่างเมื่อวานโกรธวันนี้รู้ไม่ไม่ทันนะอย่างนั้นนานแต่เอาตอนนั้นเลยใช่ได้โกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธแต่ต้องรู้ทันทันกันนะไม่ใช่โกรธไปชั่วโมงแล้วมารู้นี่ช้าไปะโกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธโลภไปก่อนแล้วรู้ว่าโลนภหลงไปก่อนแล้วรู้ว่าหลงทําไมต้องไปก่อนอืเพราะในขณะที่หลงไม่มีสติหรอกคือในขณะที่โกรธไม่มีสติหรอกมันต้องเกิดทีหลัง ค่ะก็หนจะใช้แบบจัมรวมกายวาจาใจอืมันจะรู้ที่หลังทุกที่ค่ะก็คือแบบแร่างกายเนี่ยรู้ลงปัจจุบันจิตเนี่ยดูตามหลังกายกับจิตเนี่ยมีวิธีดูที่แตกต่างกันร่างกายเนี่ยร่างกายกําลังเคลื่อนไหวเนี่ยลรู้สึกได้เลยว่าร่างกายกําลังเคลื่อนไหวไหมกายนี่ดูลงปัจจุบันขณะค่ะส่วนจิตเนี่ยเขาเรียกปัจจุบันสันตติสันตติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันเช่นเผลอไปแล้วรู้ว่าเผลอ โกรธไปแล้วรู้ว่าโกรธนะขนาดที่เผลอรู้ไม่ได้ขณะที่โกรธอยู่รู้ไม่ได้นะเพราะถ้าเมื่อไห ร, ร่รู้เมื่อ น, นั้นไม่โกรธเมื่อไห ร, ร่รู้เมื่อ น, นั้นไม่เผลอก็คือทําแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะไปฟังซีดีหลวงพ่อบ่อยๆน ะ, ะแล้วก็คอยภาวนาไปได้มีทุกคําตอบเลย <c oughs> ขอบคุณค่ะครับน้มัศการค่ะก็หลังจากที่เคย เจอทุก์ที่จิตอย่างหนักอะค่ะจนจนจนหนูร้องไห้ไม่รู้จะทั้งวันนะคะแล้วก็ได้ไปหาหลวงพ่อก็ได้กลับมาปฏิบตัติหลังจากพี่ได้มาปฏิบัติเนยก็เริ่มดีขึ้นโดยเฉพาะเวลานั่งสมาธิก็จะรู้สึ ก, กจิตใจมันแช่มชื่นแล้วก็มีพลังที่จะมีชีวิตต่อไปตอนหลังมันก็เริ่มเหมือนกับเริ่มเบื่อเบื่อในชีวิตมีเหมือนกับปัญหามันรอบด้านไม่ว่าจะ ทุกอย่างกลายเป็นปัญหามันมันจะทุกข์ที่ใจอย่างมากอะค่ะจนหนูก็เริ่มปล่อยวางว่าอะไรจะเกิดก็เกิดพอมันอะไรจะเกิดก็เกิดมันก็เริ่มรู้สึกว่าจิตมันเริ่มแข้มชื่นขึ้นมีมีมีพลังมากขึ้นค่ะจิตไม่มีความทุกข์นะเพราะว่ามันปฏิเสธสภาวะที่มันกำลังเป็นอยู่ถ้ามันเห็นว่าสภาวะทุกอย่างเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดามันไม่ปฏิเสธมันไม่ทุกข์หรอกค่ะพระอรหันต์มีขันอยู่นะ ยังไม่ตายอย่างพระอราหันต์มีขันเนี่ยขันพระอรหันต์เป็นสุขหรือทุกข์ทุกข์ทำไมท่านไม่เดือดร้อนนะ่ะท่านมาปฏิเสธความจรงิงแก่ท่านก็ไม่เดือดร้อนนะเจ็บท่านก็ไม่เดือดร้อนจะตายท่านก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมค่ะ<น>ตอนหลังก็เริ่มปล่อยปล่อยวางได้มากขึ้นพอเริ่มปล่อยวางได้มากขึ้นหนูก็เห็นเอความไม่พอใจเกิดขึ้นก็เห็นเหมือนแรงดันที่มันเกิดขึ้นเหมือนกับเราเป็นคนดูมันก็จะเกิดขึ้นต่อไปว่า อันต่อไปฉันจะต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะก็จะให้จํากัดตรงนั้นให้ได้มันก็เหมือนกับว่าอ๋อเราก็พอเราเริ่มรู้ปุ๊บเราก็มองมันพอมองไปตอนหลังเราก็เริ่มมองอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอช่วงหลังพอมันเกิดปุ๊บหนูก็มองมองปุ๊บมันหยุดทันทีเราไม่ห้ามมันหรอกนะมันหยุดเองอะดีค่ะถ้าห้ามมันใจจะแน่นค่ะก็มองมองจนแบบเห็นอยู่จนอยู่วันหนึ่งปุ๊บเนี่ยหนูกำลังเงยคอหนูก็เห็นการเกิดดับ เพิ่มเพิเพิมขึ้นมาอืว่าอ๋อการเงยคอดี่ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่มันหลายขณะค่ะแล้วมีอยู่วันหนึ่งปุ๊บเห็นเป็นชอ็ชอตเลยถูกแล้วแหละแล้วมีอยู่วันหนึ่งปุ๊บหนูก็ไปสวดมนต์ให้กับคนคนตายอะค่ะแต่ในระหว่างที่สวดมนต์มันเป็นสวดมนต์จีนนะคะหนูก็จิตจิตหนูก็จดจ่ออยู่กับการสวดมนต์แต่กับกายเลยว่าหนูเห็นคนตายอะเขาฟังหนูอยู่อืหนูก็เห็นแต่ว่าเราก็มาดูที่จิตแล้วว่า เราตโนก ต, um. ตกใจอะไรไหมหรือเรากลัวอะไรไหมหนูก็เห็นว่าวางเฉยแล้วมันก็นิ่งแล้วมันก็ตรงจงใจสวดให้คนตายฟังเข้ามาฟังก็ดีแล้วนี่ไม่ไปสวดทําไมแล้วเขไม่ฟังก็ไม่ไม่มั่นใจว่ามันใช่หรือเปล่าหรือว่าเราคิดเพเองอย่างนั้นนะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเช่นนั้นเองแล้วมันก็เริ่มปล่อยวางตอนนี้อะไรจะเกิดขึ้นตอนเนี้ถามว่ามันก็มีบ้างที่มันนิ่งมันก็มีบ้างที่แบบ น ห, นหนูต้องดูเป็นนะสุกก็ชั่วรคราวทุกก็ชั่วรคราวอะไรเงี้ยดูบ่อยๆแล้วมันจะวางจริงๆน ะ, ะวางแล้วใจไม่แห้งแรงแล้วค่ะถ้าวางแบบเจ็บช้ำน้ําใจอะไรเงี้ยอย่างไม่ได้วางแล้วสบายใจได้อมืม ว, วางอย่างสบายใจอ๋อนะวางหวางแล้ววางก็มันก็มีหนูก็ต้องใช้คําพูดอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยปลอบจิตก็คือมันก็เป็นเช่นนั้นเองใจเรายังไม่เป็นกลางจริงค่ะเพั้นมันจงใจวาง แกล้งวางถ้าวางจริงมีความสุขนะค่ะแต่แค่แกล้งวางยังมีความสุขเลยค่ะก็ก็เริ่มรู้สึกดีดีขึ้นมานิดนึง อ, อะค่ะแล้วก็เห็นว่าจิตมันโปร่งมันมันโลง่งมันโปรง่งตอนแรกก็ไม่เห็นพอไม่เห็นปุ๊บนั่นแหละถ้าเราจงใจวางนะแล้วจิตปโปร่งต่อไปเราจะชอบชอบจิตที่ปโปร่งเกลียดจิตที่ทึบๆนะไม่เป็นกลางแลัวแต่ถ้าเราเห็นเลยทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวจิตเป็นกลางกับทุกอย่าง งั้นถ้าจิตมันวางของมันเองเพราะมันมีปัญญาเห็นว่าถุกอย่างชั่วคราว น, นั้นดีถ้าเราจงใจวางนะมันจะเลือกมันจะเอาวันนี้จะไม่เอาวันนี้นะจะไม่ใช่ตัวปัญญาที่แท้จริงให้จงใจให้จงใจวางเออมันไปแกล้งจงใจวางนะตอนนี้ต้องให้ปฏิบัติแต่เบื้องต้นก็จงใจไปก่อนไม่เป็นไรค่ะตอนะนี้ก็ให้ทำแบบนี้ไปก่อนอนะคะก็มสมควรแก่การนะครับ ด้วยความเมตตาของพระเดชพะคุณพอาจารย์ปราโมทนะครับพวกเราก็ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมร่วมกับพอาจารยา์พวกเรากล่าวสาธุการดังๆสามครั้งพร้อมๆกันครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิและขอเรียนเชิญคุณพัชรดาวางวงวิทย์กล่าวบูชาธรรมกล่าวบูชาครูครับขอกาเรียนเชิญครับก็เออเป็นโอกาสที่เป็นมงคลอย่างยิ่งที่พระอาจารย์เมตตา พอมาจากชนบุรีก็ต้องไกลนะแต่อยากจะบอกเลย ว, ว่าที่นี่ชื่นชมพระอาจารย์เพราะว่าเราฟังซีดีกันเยอะแจกก็เยอะเอามาตลอดระยะเวลาแล้วก็หนึ่งปีที่ผ่านมาก็รุนกันเยอะก็เป็นที่สบอารมณ์กันมากเพราะพวกเราแฮปปี้ที่พระอาจารย์ของเราก็เป็นยอดนะคะซึ่งวันนี้เราก็มาเพิ่มเติมในสิ่งดีๆที่ท่านมาบอกเราก็ ท่านให้มาเนี่ยก็แล้วแต่ท่านใดจะรับได้แค่ไหนนะคะแต่อย่างอิฉันก็อาจจะเล็กๆน้อยๆตั้งใจเลยอยากเก็บไปพันนิพานโอ้สาธุตั้งใจเลยแต่ว่าอาจจะได้แค่ไหนก็จะพยายามไม่ถึงที่สุดถ้าชาตินี้ไม่ได้ก็ชาติหน้าชาติไม่ได้ก็ชาติต่อไปใช่มันต้องอย่างนั้นสิเจ้าค่ะนะคะก็เราช่วยกันเอาของมาท่านครับ เราพนมมือนะครับตั้งจิตตั้งใจนะครับที่อยู่ข้างหลังก็ส่งจิตออกใจมานะครับมาร่วมการถวายนะครับการาบคําถวายพร้อมกันนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นามตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิไมยังพันเตสังกทานานิจตุปัจจยานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอนุชยามะสาธุโนพันเต พิกุสังโฆอิมานิสังคทานานิจตุปัจจยานิสัปปริวาลานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีคาัตังหิตายะสุขายะข้าแดดพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย พอน้อมถวายเครื่องสังฆทานจะตุปปัจจัยและบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพาเจ้าทั้งหลายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับเครื่องสังฆทานจะตุปปัจจัยและบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพาเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุ ข, สขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่บรรพชนของข้าพเจ้าทั้งหลา ย, าาลายอันมีบิดามารดาเป็นต้นตลอดกาลและนานเทินตานาปารามีสัมปันโน นาณะอุปปารามิสัมปันโนนาปารมัตตปารามิสัมปันโตเมตัมไมตริกาลุณามุติตาุเมขาปารามิสัมปันโตอิติปิโสภะคะวะ พุทธังสารานังคาช่ามีธรรมังสารานังคาช่ามีสังฆังสารานังคาช่ามีนามามีหังสาธุอ่ะรับพรเลยนะไปนั่งก่อนไหมที่นี่ดีนะร้องเพลงให้พระฟังด้วยร้ <laughs> <laughs> องเพลเอ้อเชอยว ยถาวาริวะหาปุราปริปูเรนตีสาครังเอเมวเมวอิโตดินังเปตาณังอุปกปติอิชิตังปิตังทุมหังคิดเปเมวสมมิชตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโอวิวัชชนตูสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคาโยโกภวะ พิวาธนาศีริสนิจังอุทธาปัจายโนจัตาโรธรร ม, มาวันติอายุวันโนสุขังพระลัง ส, สาธุอนุโมทามิ